ปฏิปฏิปุชาวิสัชนาถามว่าผู้ปฏิบัติศาสนาโดยมากปฏิบัติอยู่แค่ไหนตอบว่าปฏิบัติอยู่ภูมิกามาพรจอกุศลโดยมากกามาพรจอหรือกามาวจรคือยังเกี่ยวข้องด้วยกามคุณหรือกามพบ ทำไมจึงปฏิบัติอยู่เพียงนั้นตอบว่าอัธยาศัยของคนโดยมากยังกำนัดอยู่ในกามเห็นว่ากามที่ดีเป็นสุขส่วนที่ไม่ดีเห็นว่าเป็นทุกข์จึงได้ปฏิบัติในบุญกิริยาวัตถุมีการฟังธรรมให้ทานรักษาศีลเป็นต้นหรือภาวนาบ้างเล็กน้อยเพราะความมุ่งเพื่อจะได้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติเป็นต้น ก็คงเป็นภูมิกา r m พระจรกุศลอยู่นั่นเองเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปแล้วย่อมถึงสุคติบ้างไม่ถึงบ้างแล้วแต่วิบากจะสัตไปเพราะไม่ใช่นิยตบุคคลคือยังไม่ปิดอบายเพราะยังไม่ได้บรรลุโสดาปฏิพลธ์ถามว่าก็ท่านผู้ปฏิบัติที่ดีกว่านี้ไม่มีหรือ ตอบว่ามีแต่ว่าน้อยน้อยเพราะเหตุไรน้อยเพราะกามทั้งหลายเท่ากับเลือดในอกของสัตว์ยาติจละความยินดีในกามได้เพราะการปฏิบัติธรรมละเอียดต้องอาศัยกายวิเวกจิตตวิเวกจึงจะเป็นไปเพื่ออุปทิวิเวกเพราะเหตุนี้แหละจึงทำได้ด้วยยากแต่ไม่เหลือวิสัย ต้องเป็นผู้เห็นทุกข์จริงๆจึงจะปฏิบัติได้ถามว่าถ้าปฏิบัติเพียงภูมิการมะพจน์กุศลดูไม่แปลกอะไรเพราะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นภูมิการมะพจร์กุศลอยู่แล้วส่วนการปฏิบัติจะให้ดีกว่าเก่าก็จะต้องให้เลื่อนชั้นเป็นภูมิรูปราวจรหรืออรูปราวจร และโลกอุดอนจะได้แปลกจากเก่าใช่ไหมตอบว่าถูกแล้วถ้าคิดดูคนนอกพุทธการท่านก็ได้บรรลุฌานชั้นสูงสก็มีคนในพุทธการท่านก็ได้บรรลุมรรคและผลมีพระโสดาบันและพระอรหรันโดยมากนี่เราก็ไม่ได้บรรลุฌาน เป็นอันสู้คนนอกพุทธการไม่ได้และไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นอันสู้คนในพุทธการไม่ได้ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรดีตอบว่าต้องทำในใจให้เห็นตามพระพุทธภาษิตที่ว่ามัตตาสุขะปริจาคา ปัดเสเจวิปุลังสุ ข, ขังถ้าว่าบุคคลเห็นซึ่งสุขอันไพยบู์เพราะบริจาคซึ่งสุขมีประมาณน้อยเสียใจจะเชมัตตาสุ ข, ขังทีโรสัมปัดสังวิปุลังสุขขังบุคคลผู้มีปัญญาเครื่องทรงไว้เมื่อแหล่งเห็นซึ่งสุขอันไพยบู์พึงละเสียซึ่งสุขมีประมาณน้อย สุขมีประมาณน้อยได้แก่สุขชนิดไหนได้แก่สุขซึ่งเกิดแต่ความยินดีในกามที่เรียกว่าอามิสุขนี่แหละสุขมีประมาณน้อยก็สุขอันไัยบูลได้แก่สุขชนิดไหนได้แก่ฌานวิปัสนามักคลปนิพพาน ที่เรียกว่านิรามิสุขไม่เจือปนด้วยกามนี่แหละสุขอันภัยบู์จะปฏิบัติให้สุขอันภัยบู์จะดำเนินทางไหนดีก็ต้องดำเนินทางองค์มรรคแดองค์มรรคแปดใครๆก็รู้ทำไมถึงเดินกันไม่ใกล้จะถูกเล่า พระ อ, องค์มักทั้งแปดไม่มีใครเคยเดินจึงเดินไม่ใครถูกพอถูกก็เป็นพระอริยะเจ้าที่เดินไม่ถูกเพราะเหตุอะไรเพราะชอบเดินทางเก่าซึ่งเป็นทางชำนานทางเก่านั้นคืออะไร ได้แก่กามาสุขคัลลิกานุโยกและอัตตากิลมัฐานุโยกกามาสุขคัลลิกานุโยกนั้นคืออะไรความทำตนให้เป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในกามาสุขนี้แหละชื่อว่ากามาสุคัลลิกานุโยกอัตตากิลมัฐานุโยกได้แก่ทางไหน ได้แก่ผู้ปฏิบัติผิดแม้ประพฤติเคร่งครัดทำตนให้ลำบากสักเพียงไรก็ไม่สำเร็จประโยชน์ซึ่งมักผลนิพพานนี่ล่ะเรียกว่าอัตากิละมาฐานุโยคถ้าเช่นนั้นทางทั้งสองนี้เห็นจะมีคนเดินมากกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหลายร้อยเท่าแน่ทีเดียว พระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้จึงได้แสดงก่อนธรรมะอย่างอื่นๆที่มาแล้วในธรรมจักกับประวัตนาสูตรเพื่อให้สาวกเข้าใจจะได้ไม่ดำเนินในทางทั้งสองมาดำเนินในทางมัชิมาปฏิปทาองค์มรรคแปดทำไมจึงยกสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นกองปัญญาขึ้นแสดงก่อน ส่วนการปฏิบัติของผู้ดำเนินทางมักต้องทำศีลไปก่อนแล้วจึงทำสมาธิและปัญญาซึ่งเรียกว่าศิกขาทั้งสามตามความเห็นของข้าพเจ้าว่าจะเป็นสองตอนตอนแรกส่วนโลกิยากุศลต้องทำศีลสมาธิปัญญาเป็นลำดับไปปัญญาที่เกิดขึ้น ยังไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่สังโยชน์สามยังละไม่ได้ขีดค้องใจเพียงนี้เป็นโลกีตอนที่เห็นอริยสัตว์แล้วละสังโยชน์สามได้ตอนนี้เป็นโลกุตระศีลจะเอาศีลชนิดไหนศีลมีหลายอย่าง ศีลห้าศีล8ปดศีลสิบศีลสองยแต่ในที่นี้ประสงค์ศีลที่เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมารกรรมโตสัมมาอาชีโวแต่ต้องทำให้บริบูรณ์สัมมาวาจาคืออะไรมุสาวาทาเวรมณี เว้นจากพูดเท็จปิสุนายะวาจายะเว ร, รมณีเว้นจากพูดคำหยาบสัมผัสปลาปาเว ร, รมณีเว้นจากพูดโปรยประโยชน์คำว่าพูดโปรยประโยชน์คือพูดเพอ้อเจ้อไรประโยชน์เป็นวาจาที่ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์หรือพูดเล่นกันไป เรียกรวมว่าการพูดเพอเจรอสัมมากัมมันโตการงานชอบนั้นมีกี่อย่างมีสามอย่างคือปานาติปาตาเวรมณนีเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินนาทานาเวรมณนีเว้นจากการลักทรัพย์ อพรมมเจริยาเวรามณีเว้นจากอสัตถธรรมไม่ใช่พรมจรรย์สัมมากัมมันโตในที่อื่นๆโดยมากเว้นอพัพ ม, มะส่วนในมหาสติปฐานทำไมจึงเว้นกาเมสุมิชาจารย์ความเห็นของข้าพเจ้าว่าที่ทรงแสดงศีลอพัพ ม, มะ เห็นจะเป็นด้วยรับสั่งแก่ภิกษุเพราะว่าภิกษุเป็นพรหมจรีบุคคลนั้นส่วนในมหาสติปทานสี่ก็รับสั่งแก่ภิกษุเหมือนกันแต่ในเวลานั้นพระองค์เสด็จประทับอยู่ในมูชนชาวกูรุพวกชาวบ้านเห็นจะฟังอยู่มากท่านจึงสอนให้เว้นการมิจฉาจาร์เพราะชาวบ้านมักเป็นคนมีคู่ สัมมาอาชีวโเลี้ยงชีวิตชอบเว้นจากมิจฉาชีพนั้นเป็นอย่างไรบางแห่งท่านก็อธิบายไว้ว่าขายสุรายาพิษสัตราวุธหรือขายสัตว์มีชีวิตต้องเอาไปฆ่าเป็นต้นเหล่านี้แหละเป็นมิจฉาชีพถ้าคนที่ไม่ได้ขายของเหล่านี้ก็เป็นสัมมาอาชีวโ อ, อย่างนั้นหรือ ยังเป็นไปไม่ได้เพราะวิธีโกงของคนมีหลายอย่างนักเช่นค้าขายโดยไม่ซื่อมีการโกงตาช่างตาเตงหรือเอารัดเอาเปรียบอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาที่พูดซื้อเผลอหรือเข้าไว้ใจรวมความพูดว่าอัธยาศัยของคนที่ไม่ซื่อคิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเห็นแต่จะได้สุดแต่จะมีโอกาสจะเป็นเงินหรือของก็ดีถึงแม้ไม่ชอบรม สุดแต่จะได้เป็นเอาทั้งนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าอาการเหล่านี้ก็เป็นมิจฉาชีพทั้งสิน้นสำ ม, มาอาชีโวจะต้องเว้นทุกอย่างเพราะเป็นสิ่งที่คดข้อมได้มาโดยไม่ชอบรมสำมาวายาโม ο, ความเพียรชอบนั้นคือเพียรอย่างไร สังวรประทานเพียรระวังอกุศลละวิตกสามที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นปหาณประทานเพียรละอกุศละวิตกสามที่เกิดขึ้นแล้วให้หายไปภาวนาประทานเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอนุรักษณาประทาน เพียงรักษากุศลที่เกิดลวไว้ให้สมบูรณ์สัมมาสติระลึกชอบนั้นระลึกอย่างไรระลึกอยู่ในสติปัฏฐานสคือกายานุปัสสนาระลึกถึงกายเวทนานุปัสสนาระลึกถึงเวทนา จิตตานุปัสสนาประลึกถึงจิตธรรมานุปัสสนาประลึกถึงธรรมสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบคือตั้งใจไว้อย่างไรจึงจะเป็นสัมมาสมาธิคือตั้งไว้ในองค์ฌานทั้งสี่ที่เรียกว่าปฐมฌาน ทุติยชาญตติยชาญจตุตถาชาญเหล่านี้แหละเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปโปความดำริชอบนั้นดำริอย่างไรเนคขมะสังกัปโปดดำริออกจากกามอัพยาปาทะสังกัปโป ดำริไม่พยาบาทอาวิหิงสาสังกัโปดดำริในความไม่เบียดเบียนสัมมาวายโมก็ละอกุศลวิตก3ามแล้วสัมมาสังกัโปททำไมจึงต้องดำริอีกเล่าตอบว่าต่างกันเพราะสัมมาวายโมนั้น เป็นแต่เปลี่ยนอารมณ์เช่นจิตที่ฟุ้งซ่านหรือเป็นอกุศลก็เลิกนึกเรื่องเก่าเสียมามีสติระลึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลจึงสงเคราะห์เข้าในกองสมาธิส่วนสัมมาสังกรปรมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของกามเห็นอนิสงของเนคขมมะจึงได้คิดออกจากกามโดยอาการที่เห็นโทษ หรือเห็นโทษของพยาบาทวิหิงสาเห็นอนิสง์ของเมตตากรุณาจึงได้คาดละพยาบาทวิหิงสาการเห็นโทษและเห็นอนิสง์เช่นนี้หละจึงผิดกับสัมมาวายโาม О, ท่านจึงสงเคราะห์เข้าไว้ในกองปัญญาสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบนั้นคือเห็นอย่างไรคือเห็นทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าอริยสัจสี่ความเห็นชอบอย่างนี้แหละชื่อว่าสัมมาทิฏฐิอริยสัจสี่นั้นมีกิจจะต้องทำอะไรบ้าง ตามแบบที่มีมาในธรรมจักมีกิจสามอย่างในสี่อริยสัจ ร, รวมเป็นส2บสองคือสัจจยานรู้ว่าทุกขกิจจายานรู้ว่าจะต้องกำหนดกัตยานรู้ว่ากำหนดเสร็จแล้วแลวรู้ว่าทุกขสมมมุทัยจะต้องละและได้ละเสร็จแล้ว และรู้ว่าทุกขนิโรธจะต้องทำให้แจ้งและได้ทำให้แจ้งเสร็จแล้วและรู้ว่าทุกขนิโรธคามิหนีปฏิปทาจะต้องเจริญและได้เจริญแล้วนี่แหละเรียกว่ากิจในอริยสัจทั้งสี่ทุกนั้นได้แก่สิ่งอะไรขันห้า อายตนะหกธาตุหกนามรูปเหล่านี้เป็นประเภททุกข์สัตว์ทุกมีหลายอย่างนักจะกําหนดอย่างไรถูกกําหนดอย่างเดียวก็ได้จะเป็นขันห้าหรืออายตนะหกหรือธาตุหกนามรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องกําหนดทีละหลายอย่าง แต่ว่าผู้ปฏิบัติกวนจะรู้ไว้เพราะธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาการที่จะเห็นอริยสัจก็ต้องทำวิปัสสนาด้วยหรือตอบว่าไม่เจริญวิปัสสนาปัญญาจะเกิดอย่างไรได้เมื่อปัญญาไม่มีจะเห็นอริยสัจทั้งสอย่างไรได้ แต่ที่เจริญวิปัสสนากันอยู่ผู้ที่อินทรีย์อ่อนยังไม่เห็นอริยสัจ ท, ทั้งสี่เลยถามว่าขันห้าใครๆก็รู้ทำไมจึงกำหนดทุกข์ไม่ถูกตอบว่ารู้แต่ชื่อไม่รู้อาการขันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขันห้าเกิดขึ้น ก็ไม่รู้ว่าเกิดขันห้าดับไปก็ไม่รู้ว่าดับและขันห้ามีอาการสิ้นไปเสื่อมไปตามความเป็นจริงอย่างไรก็ไม่ทราบทั้งนั้นจึงเป็นผู้หลงประกอบด้วยวิปลาดคือไม่เที่ยงก็เห็นว่าเที่ยงเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นสุขเป็นอนัตตาก็เห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นอสุภะไม่งามก็เห็นว่าเป็นสุภะงามเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนสาวกที่มาแล้วในมหาสติประทานสูตรให้รู้จักขันห้าและอายตนะหกตามความเป็นจริงจะได้กำหนดถูกขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อเวลาเกิดขึ้นและดับไปจะได้รู้ รูปคือธาตุดิน19น้ำ12สองลมหไฟหชื่อว่ามหาพูตธ ร, รูปเป็นรูปใหญ่แลอุปทัยรูป24เป็นรูปที่ละเอียดซึ่งอาศัยอยู่ในมหาพูตธ ร, รูปสี่เหล่านี้ชื่อว่ารูปแต่จะแจงให้ละเอียดก็มากมายเมื่ออยากทราบให้ละเอียดก็จงไปดูเอาในแบบเถิด ก็เวทนานั้นได้แก่สิ่งอะไรความสวยอารมณ์ซึ่งเกิดประจําอยู่ในรูปนี่หละคือบางคราวก็สวยอารมณ์เป็นสุขบางคราวก็สวยอารมณ์เป็นทุกข์บางคราวก็ไม่ทุกข์ไม่สุขนี่แหละเรียกว่าเวทนาสามถ้าเติมสมณัตโทมนัตก็เป็นเวทนาห้า โสมนัตโทมนัตเวทนาดูเป็นชื่อของกิเลสทําไมจึงเป็นขันธ์เวทนามีสองอย่างคือกายิกะเวทนาเวทนาซึ่งเกิดทางกายหนึ่งเจตสิกเวทนาเวทนาซึ่งเกิดทางใจหนึ่งสุขเวทนาสวยอารมณ์เป็นสุขทุกขเวทนาสวยอารมณ์เป็นทุก สองอย่างนี้เกิดทางกายโสมนัสโทมนัสอทุกขมสุขเวทนาสามอย่างนี้เกิดทางใจใจกิเลสไม่คือเช่นกับบางคราวอยู่ดีๆก็มีความสบายใจโดยไม่ได้อาศัยความรักความชอบก็มีหรือบางคราวไม่อาศัยโทสะหรือปฏิฆะไม่สบายใจขึ้นเองเช่นคนเป็นโรคหัวใจ หรือโรคเส้นประสาทก็มีอย่างนี้เป็นขันแท้ต้องกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์เมื่อเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นนั่นแหละเป็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเมื่อเวทนาเหล่านั้นดับหายไปเป็นความดับไปแห่งเวทนานี่แหละเป็นขันแท้เป็นประเภททุกขสัตย์ เวทนานั้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นอาศัยอายตนะภายในหกภายนอกหกวิญญาณหกกระทบกันเข้าชื่อว่าผัสสะเป็นที่เกิดแห่งเวทนาถามว่าอายตนะภายในหกภายนอกหวิญญาณหกผัสสะหกเวทนาที่เกิดแต่ผัสสะหก ก็ไม่ใช่กิเลสเป็นประเภททุกทั้งนั้นไม่ใช่หรือตอบว่าถูกแล้วถามว่าแต่ทำไมคนเราเมื่อเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้มได้ลิ้มรสหรือถูกต้องผลทพะด้วยกายรู้รับอารมณ์ด้วยใจก็ย่อมได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือ ก็อายตนะและผัสสะเวทนาก็ไม่ใช่กิเลสแต่ทำไมคนเราจึงเกิดกิเลสและความอยากขึ้นได้เล่าตอบว่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นขันและอายตนะและผัสสะเวทนาสำคัญว่าเป็นผู้เป็นคนเป็นจริงเป็นจังจึงได้เกิดกิเลสและความอยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า จึงทรงแสดงไว้ในจักระสูตรว่าบุคคลเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้ราคานุใสตามนอนทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้ปฏิคานุใสตามนอนอาทุกขมะสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้อวิชานุัสตามนอนการทําที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ ถ้าบุคคลเมื่อเวทนาทั้งสามเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้อนุสัยทั้งสามตามนอนการทำที่สุดแห่งทุกในชาตินี้มีฐานะที่มีได้เป็นได้นี่ก็เท่ากับตรัสไว้เป็นคำตายตัวอยู่แล้วจะปฏิบัตยางไรจึงจะไม่ให้อนุสัยทั้งสามตามนอน ก็ต้องมีสติทำความรู้สึกตัวไว้และมีสัมปชัญญะความรู้รอบครอบในอายตนะและผัสสะเวทนาตามความเป็นจริงอย่างไรอนุสัยทั้งสามจึงจะไม่ตามนอนสมด้วยพระพุทธภาษิตในโสลตปัญหาที่หนึ่งตรัสตอบอชิตะมานกว่าสติเตสังนิวาระนังสติเป็นดุจทำนกเครื่องปิดกระแสะเหล่านั้น ปัญญาเยเทปิทินยะเรกระแสะเหล่านั้นอันผู้ปฏิบัติจะละเสดได้ด้วยปัญญาแต่ในที่นั้นท่านประสงค์ละตันหาแต่อนุสัยกับตันหาก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันเวทนาเป็นขันธ์แท้เป็นทุกขสัตว์หรือทุกขอริยสัตว์เป็นความจริงของธรรมชาติในเรื่องทุกข คือสภาพที่ทนได้ยากภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เวทนาเป็นขันแท้เป็นทุกข์สัตย์ไม่ใช่กิเลสแต่ในปฏิจจสมุปบาทหลักการที่ว่าด้วยเพราะมีสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยจึงมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั้นทำไมจึงมีเวทนาปัจจยาตันหาคือเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมี เราไม่รู้จักเวทนาตามความเป็นจริงเมื่อเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเวทนาที่เป็นสุขก็ชอบเพลิดเพลิน อ, อยากได้หรือให้คงอยู่ไม่ให้หายไปเสียเวทนาที่เป็นทุกข์ไม่ดีมีมาก็ไม่ชอบประกอบด้วยปฏิฆะอยากผลักสายไล่ขับให้หายไปเสียหรือทอุก ข, ข์มสุขเวทนาที่มีมาก็ไม่รู้อวิชชานุสัย จึงตามนอนสมดังพระพุทธภาษิตในโสลตปัญหาที่ส3บสาที่อุธยะมานกทูลถามว่ากะทังสตัตสะัจะระโตวิญญาณังอุปรุษชติเมื่อบุคคลประพฤติมีสติอย่างไรปฏิสนธิวิญญาณจึงจะดับตรัสตอบว่าอชาตตันจะพระหิทธาจะเวทนังนาพินันโต เมื่อบุคคลไม่เพลิดเพลินยิ่งซึ่งเวทนาทั้งภายในและภายนอกอวังสตัสสะเจระโตวิญญานังอุปรุชติประพืตมีสติอยู่อย่างนี้ปฏิสนธิวิญญาณจึงจะดับเวทนาอย่างไรชื่อว่าเวทนาภายนอกเวทนาอย่างไร ชื่อว่าเวทนาภายในเวทนาที่เกิดแต่จากขุดสัมผัสคือทางตาเศตษสัมผัสคือทางหูขานาสัมผัสคือทางจมูกจิวหาสัมผัสคือทางลิ้นและกายะสัมผัสห้าอย่างนี้ชื่อว่าเป็นเวทนาที่เป็นภายนอกเวทนาที่เกิดในฌานเช่นปีติหรือสุขเป็นต้น ชื่อว่าเวทนาภายในเกิดแต่มโนสัมผัสปิติและสุขก็เป็นเวทนาด้วยหรือปิติและสุขนั้นเกิดขึ้นเพราะความสงบอาศัยความเพียรของผู้ปฏิบัติในคิริมาณฑสูตรอานาปานสติหมวดที่หกับที่ห ท่านสงเคราะห์เข้าในเวทนาลุปัสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นปีติและสุขจึงจัดเป็นเวทนาภายในได้ที่เรียกว่านิรามิสเวทนาสวยเวทนาไม่มีอามิ t h คือไม่เจือกามมคุณเห็นจะเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นจากจิตที่สงบนี้เองแต่ถ้าเช่นนั้น ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะที่เรียกว่ากามคุณห้าเวทนาที่เกิดคราวนั้นก็เป็นอามิตรเวทนาถูกไหมตอบว่าถูกแล้วส่วนเวทนาข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้วแต่ส่วนสัญญาขันความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลทพะ จำธรรมารมหกอย่างนี้มีลักษณะอย่างไรเมื่อรูปสัญญาความจำรูปเกิดขึ้นนั้นมีอาการเช่นไรและเวลาที่ความจำรูปดับไปมีอาการเช่นไรข้าพเจ้าอยากทราบเพื่อจะได้กำหนดถูกคือเราได้เห็นรูปคนหรือรูปของอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมานึกขึ้นรูปคน หรือรูปของเหล่านั้นก็มาปรากฏขึ้นในใจเหมือนยังได้เห็นจริงๆนี่เรียกว่าความจํารูปยังไม่เข้าใจดีขอให้ชี้ตัวอย่างให้ข่าวอีกสักหน่อยเช่นกับเมื่อเชา้านี้เราได้พบกับคนที่รู้จักกันหรือได้พูดกันครั้นคนนั้นไปจากเราแล้วเมื่อเรานึกถึงคนนั้น รูปร่างคนนั้นก็ปรากฏชัดเจนเหมือนเวลาที่พบกันหรือได้เห็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เมื่อเวลานึกขึ้นก็เห็นสิ่งนั้นชัดเจนเหมือนอย่างเวลาที่เห็นรวมเป็นรูปสองอย่างคืออุปทินนกะรูปรูปที่มีวิญญาณเช่นรูปคนหรือรูปสัตว์อนุปทินนกะรูปรูปที่ไม่มีวิญญาณได้แก่สิ่งของต่าง หรือต้นไม้ดินหินกรวดถ้าเช่นนั้นคนเป็นก็เป็นรูปที่มีวิญญาณคนตายก็เป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณอย่างนั้นหรือถูกแล้วนาสลดใจชาติเดียวเป็นได้สองอย่างถ้าเช่นนั้นสัญญาก็เป็นเรื่องของอดีตทั้งนั้นไม่ใช่ปัจจุบัน ตอบว่าอารมณ์นั้นเป็นอดีตแต่เมื่อความจำปรากฏขึ้นในใจเป็นสัญญาปัจจุบันนี่แหละเรียกว่าสัญญาขันถ้าไม่รู้จักสัญญาเวลาที่ความจำรูปคนมาปรากฏขึ้นในใจก็ไม่รู้ว่าสัญญาของตัวเองสำคัญว่าเป็นคนจริงๆ หรือความจำรูปที่ไม่มีวิญญาณมาปรากฏขึ้นในใจก็ไม่รู้ว่าสัญญาสำคัญว่าเป็นสิ่งเป็นของจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีโทษอย่างไรบ้างขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจมีโทษมากเช่นนึกถึงคนที่รักรูปร่างของคนที่รักก็มาปรากฏกับใจกามาวิตกที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงอกงามหรือนึกถึงคนที่โกรธกันรูปร่างของคนที่โกรธกันนั้นก็มาปรากฏชัดเจนเหมือนได้เห็นจริงๆพยาบาทวิตกที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงอกงามหรือนึกถึงสิ่งของที่สวยสวยงามงามรูปร่างสิ่งของเหล่านั้นก็มาปรากฏในใจเกิดความชอบใจบ้าง และอยากได้บ้างเราไม่รู้ว่าสัญญาขันของตัวเองเห็นสัญญาคือความจำได้หมายรู้นั้นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นจริงเป็นจังไปหมดที่แท้ก็เหลวทั้งนั้นก็ความเกิดขึ้นแห่งสัญญามีลักษณะอย่างไรเมื่อความจำรูปอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏในใจ เป็นความเกิดขึ้นแห่งความจำรูปเมื่อความจำรูปเหล่านั้นดับหายไปจากใจเป็นความดับไปแห่งความจำรูปสัทธสัญญาความจำเสียงนั้นมีลักษณะอย่างไรเช่นเวลาเราฟังเทศเมื่อพระเทศจบแล้วเรานึกขึ้นได้ว่า ท่านแสดงว่าอย่างนั้นอย่างนั้นหรือมีคนมาพูดเล่าเรื่องอะไรอะไรให้เราฟังเมื่อเขาพูดเสร็จแล้วเรานึกขึ้นจำถ้อยคํานั้นได้นี่เป็นลักษณะของความจำเสียงเมื่อความจำเสียงปรากฏขึ้นในใจเป็นความเกิดขึ้นแห่งความจำเสียงเมื่อความจำเสียงเหล่านั้นดับหายไปจากใจเป็นความดับไป แห่งสัท ธ, ธาสัญญาคันทัศสัญญาความจำกลิ่นมีลักษณะอย่างไรเช่นกับเราเคยได้กลิ่นหอมดอกไม้หรือน้ำอบหรือกลิ่นเหม็นอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เมื่อนึกขึ้นก็จำกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเหล่านั้นได้นี่เป็นความเกิดขึ้นของความจากลิ่น เมื่อความจำกลิ่นเหล่านั้นหายไปจากใจเป็นความดับไปแห่งคันธะสัญญารัทสัญญาความจำรสนั้นมีลักษณะอย่างไรความจำรสนั้นเมื่อเรารับประทานอาหารมีรสเปรี้ยวหวานจืดเค็มหรือขมเป็นต้นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว นึกขึ้นก็จำรสเหล่านั้นได้อย่างนี้เรียกว่าความจำรสเมื่อความจำรสปรากฏขึ้นในใจเป็นความเกิดขึ้นแห่งรสะสัญญาเมื่อความจำรสเหล่านั้นดับหายไปจากใจเป็นความดับไปแห่งรสะสัญญาอดทพัสสัญญา มีลักษณะอย่างไรความจำเครื่องกระทบทางกายเช่นเราเดินไปเหยียบน้ำถูกน้ำยอกหรือถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อนึกขึ้นจำความถูกต้องกระทบกายเหล่านั้นได้ชื่อว่าโธพธิภพสัญญาถามว่า เช่นเมื่อกลางวันนี้เราเดินไปถูกแดดร้อนจัดรันกลับมาถึงบ้านนึกถึงที่ไปถูกแดดมานั้นก็จำได้ว่าวันนั้นเราไปถูกแดดมานั้นก็จัดได้ว่าวันนั้นเราไปถูกแดดร้อนอย่างนี้เป็นผลทพสัญญาถูกไหมตอบว่าถูกแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบถูกต้องทางกายเมื่อเราคิดถึงอารมณ์เหล่านั้น จำได้เป็นโดพันพสัญญาทั้งนั้นเมื่อความจำพธธพาโพัาธเกิดขึ้นในใจมีความเกิดขึ้นแห่งโดพธันธพสัญญาเมื่อความจำเหล่านั้นดับหายไปจากใจเป็นความดับไปแห่งโดพัน ธ, ธพสัญญาธรรมสัญญา มีลักษณะอย่างไรธรรมสัญญาความจําธรรมรมนั้นละเอียดยิ่งกว่าสัญญาห้าที่ได้อธิบายมาแล้วธรรมรมนั้นได้แก่สิ่งอะไรเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสามอย่างนี้ ชื่อว่าธรรมารมณ์เช่นเราได้สวยเวทนาที่เป็นสุขหรือที่เป็นทุกข์ไว้แล้วเวทนาเหล่านั้นดับไปแล้วนึกขึ้นจำได้อย่างนี้ชื่อว่าความจำเวทนาหรือเคยท่องบนอะไรอะไรจะจาได้มากก็ตามหรือจาได้น้อยก็ตามเมื่อความจำเหล่านั้นดับไป พอนึกขึ้นถึงความจำเก่าก็มาเป็นสัญญาปัจจุบันขึ้นอย่างนี้เรียกว่าความจำสัญญาหรือเราคิดนึกเรื่องอะไรอะไรขึ้นเองด้วยใจเมื่อความคิดเหล่านั้นดับไปพอเรานึกถึงเรื่องที่เคยคิดเอาไว้นั้นก็จำเรื่องนั้นได้นี้เรียกว่าความจำสังขารขัน ความจำเรื่องราวของเวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้แหละชื่อธรรมะสัญญาความจำธรรมารมเมื่อความจำธรรมา ร, รมปรากฏขึ้นในใจเป็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมะสัญญาเมื่อความจำธรรมารมเหล่านั้นดับหายไปจากใจเป็นความดับไปแห่งธรรมะสัญญา แม่ช่างซับซ้อนกันจริงๆจะสังเกตอย่ิงไรายถูกถ้ายังไม่รู้จักอาการขันก็สังเกตไม่ถูกถ้ารู้จักแล้วก็สังเกตได้ง่ายเหมือนคนที่รู้จักตัวแล้วรู้จักชื่อกันถึงจะพบหรือเห็นกันมากๆคนก็รู้จักได้ทุกๆคนถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักตัวหรือรู้จักชื่อกัน มาแต่คนเดียวก็ไม่รู้จักว่าผู้นั้นคือใครสมด้วยพระพุทธภาษิตในกูหัตกสูตรหน้า395ที่ว่าสัญญับปริญญาวิตเรยยะโอคังสาธุชนมากำหนดรอบรู้สัญญาแล้วจะพึงข้ามโอค่ะ่วงน้ำคือการเวียนไหวตายเกิด สังขารขันคืออะไรสังขารขันคือความคิดความนึกสังขารขันเป็นทุกขสัตว์หรือเป็นสมุทยัยเป็นทุกขสัตว์ไม่ใช่สมุทยัยก็สังขารขันตามแบบอภิธรรมสังคหะท่านแจกไว้ว่า มีบาปธรสิบสี่โสภณะเจตสิกยีิบห้าอัญญะสมานาสิบสารวมเป็นเจตสิกห้าสิบสองดวงนั้นดูมีทั้งบุญทั้งบาปและไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปปนกันทำไมจึงเป็นทุกข์กษัตริย์อย่างเดียวข้าพเจ้าชะโงนนักอัญญะสมานาสิบสายกเวทนาสัญญาออกเสียสองขันเหลืออยู่สิบเอ็ดนี่ล่ละ เป็นสังขารขันแท้จะต้องกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ส่วนบาปทำสิบสี่นั้นเป็นสมุทยัยอาศัยสังขารขันเกิดขึ้นเป็นส่วนปหาตพภธรรมจะต้องละส่วนโสพนาเจตสิกยสิบห้านั้นเป็นภาเวตภธรรมจะต้องเจริญ เพราะฉะนั้นบาปธรรม14กับโสพณะเจตสิก25ไม่ใช่สังขารแท้เป็นแต่อาศัยสังขารขันเกิดขึ้นจึงมีหน้าที่จะต้องละและต้องเจริญความคิดความนึกอะไรอะไรที่มาปรากฏขึ้นในใจเป็นความเกิดแห่งสังขารขันความคิดความนึกเหล่านั้นดับหายไปจากใจ ก็เป็นความดับไปแห่งสังขารขันวิญญาณขันที่รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกอย่างนี้มีลักษณะอย่างไรและเวลาที่เกิดขึ้นและดับไปมีอาการอย่างไรคือตาหนึ่ง รูปหนึ่งกระทบกันเข้าเกิดความรู้ทางตาเช่นกับเราได้เห็นคนหรือส่งของอะไรอะไรก็รู้ได้คนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ชื่อว่าจักรุูวิญญาณเมื่อรูปมาปรากฏกับตาเกิดความรู้ทางตาเป็นความเกิดขึ้นแห่งจักขุูวิญญาณ เมื่อความรู้ทางตาดับหายไปเป็นความดับไปแห่งจักุวิญญาณหรือความรู้ทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้ผลทพะทางกายมาปรากฏขึ้นก็เป็นความเกิดแห่งโสตวิญญาณคานาวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณเมื่อความรู้ทางหูจมูกลิ้นกายหายไป ก็เป็นความดับไปแห่งโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณเมื่อใจกับธรรมารมมากระทบกันเข้าเกิดความรู้ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณใจนั้นได้แก่สิ่งอะไร ใจนั้นเป็นเครื่องรับธรรมอารมณ์ให้เกิดความรู้ทางใจเหมือนอย่างตาเป็นเครื่องรับรูปให้เกิดความรู้ทางตารู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารนั้นรู้อย่างไรรู้เวทนานั้นเช่นสุขเวทนาเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นสุข หรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นทุกข์อย่างแล้วรู้เวทนาหรือสัญญาใดมาปรากฏขึ้นในใจจะเป็นความจำรูปหรือความจำเสียงก็ดีก็รู้สัญญานั้นอย่างนี้เรียกว่ารู้สัญญาหรือความคิดเรื่องอะไรอะไรขึ้นก็รู้ไปในเรื่องนั้นอย่างนี้รู้สังขาร ความรู้เวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้ต้องรู้ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณถามว่ามโนวิญญาณความรู้ทางใจก็เหมือน ก, นกันกับธรรมสัญญาความจาธรรมอารมอย่างนั้นหรือเพราะนี้ก็รู้เวทนาสัญญาสังขารนั่นก็จำเวทนาสัญญาสังขาร ตอบว่าต่างกันเพราะสัญญานั้นจำอารมณ์ที่ล่วงแล้วแต่ตัวสัญญาเองเป็นสัญญาปัจจุบันส่วนมโนวิญญาณนั้นรู้เวทนาสัญญาสังขารที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันเมื่อความรู้เวทนาสัญญาสังขารมาปรากฏขึ้นในใจเป็นความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณ เมื่อความรู้เวทนาสัญญาสังขารดับหายไปจากใจเป็นความดับไปแห่งมโนวิญญาณเช่นผงเข้าตารู้ว่าเคืองตาเป็นรู้ทางตาใช่ไหมไม่ใช่เพราะรู้ทางตานั้นหมายถึงรูปที่มากระทบกับตาเกิดความรู้ขึ้น ส่วนผงเข้าตานั้นเป็นกายสัมผัสต้องเรียกว่ารู้ผลทพะประตานั้นเป็นกายผงนั้นเป็นผลทพะเกิดความรู้ขึ้นชื่อว่ารู้ทางกายถ้าผงเข้าตาคนอื่นเขาวานเราไปดูเมื่อเราได้เห็นผงเกิดความรู้ขึ้นชื่อว่ารู้ทางตาหรือจักขูวิญญาณ สาธุข้าพเจ้าเข้าใจได้ความในเรื่องนี้ชัดเจนดีแล้วแต่ขันห้านั้นยังไม่ได้ความว่าจะเกิดขึ้นทีละอย่างสองอย่างหรือว่าต้องเกิดพร้อมกันทั้งห้าขันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งห้าขันขันห้าที่เกิดพร้อมกันนั้นมีลักษณะอย่างไรและความดับไปมีอาการอย่างไร ขอให้ชี้ตัวอย่างให้ขาวสักหน่อยเช่นเวลาเรานึกถึงรูปคนหรือรูปสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งอาการที่นึกขึ้นนั้นเป็นลักษณะของสังขารขันรูปร่างหรือสิ่งของเหล่านั้นมาปรากฏขึ้นในใจนี่เป็นลักษณะของรูปสัญญาความรู้ที่เกิดขึ้นในเวลานั้น นี่เป็นลนักษณะของมโนวิญญาณสุขหรือทุกข์หรืออุเบกขาที่เกิดขึ้นในคราวนั้นนี่เป็นลนักษณะของเวทนามหาภูต ร, รูปหรืออุปาทายรูปที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นลนักษณะของรูปอย่างนี้เรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งขันพร้อมกันทั้งห้า เมื่ออาการห้าอย่างเหล่านั้นดับไปเป็นความดับไปแห่งขันทั้งห้าส่วนนามทั้งสี่เกิดขึ้นและดับไปพอจะเห็นด้วยแต่ที่ว่ารูปดับไปนั้นยังไม่เข้าใจส่วนรูปนั้นมีความแปรปรวนอยู่เสมอเจนของเก่าเสื่อมไปของใหม่เกิดแทน แต่ถ้าว่าไม่เห็นเองเพราะรูปสันตติรูปที่ติดต่อเนื่องกันบางเสียจึงแลไม่เห็นแต่ก็ลองนึกดูถึงรูปตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปนแล้วสักเท่าไหร่ถ้ารูปไม่ดับก็คงไม่มีเวลาแก่และเวลาตายหมาเหตุผู้อ่านขอเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดนะครับ สำหรับร่างกายวัตถุสิ่งของที่เราเห็นจับต้องได้และคิดว่ามันเที่ยงคงทนนั้นความจริงมันเกิดดับอย่างรวดเร็วตลอดเวลานะครับในทุกสิ่งจะมีหน่วยเล็กลงไปจนถึงระดับอะตอมในแต่ละอะตอมนั้นมีการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนวิ่งวนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลามีพลังงานแฝงอยู่ในทุกอะตอมที่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเขาให้คาจำกัดความเบื้องต้นว่าอนุภาคประเจ้า ที่เข้าใจว่าเป็นแหล่งพลังงานก่อกําเนิดทุกสรรพสิ่งในจักรวาลแต่เขาก็ยังไปไม่ถึงเท่าพระพุทธศาสนาที่เจาะลึกไปละเอียดและมากกว่านั้นหลายเท่าสิ่งที่พอเปรียบเทียบได้ก็เช่นแสงสว่างที่เราเห็นว่าสว่างตลอดเวลานั้นเป็นเพียงการกระพริบที่เร็วมากเกิดดับนับครั้งไม่ถ้วนร่างกายวัตถุสิ่งของก็เช่นเดียวกันมีการเกิดดับอย่างรวดเร็วมหาศาล ส่งผลให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆที่เราจับต้องรู้เห็นได้เสมือนว่ามันอยู่นิ่งๆแต่ความจริงแล้วมีการเคลื่อนไหวยอยู่ภายในเกิดดับตลอดเวลานี่จึงตรงกับหลักที่ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นทุกต้องเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ตัวตนอันเป็นหลักสำคัญที่มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าเราสังเกตขันห้าว่าเวลาเกิดขึ้นระดับไปนั้นจะสังเกตอย่างไรถึงจะเห็นได้และที่ว่าขันสิ้นไปเสื่อมไปนั้นมีลักษณะอย่างไรเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นได้อีกดูเป็นของคงที่ไม่เห็นมีความเสื่อมวิธีสังเกตขันห้านั้น ก็ต้องศึกษาให้รู้จักอาการขันตามความเป็นจริงแล้วก็มีสติสงบความคิดอื่นเสียหมดแล้วจนเป็นอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าสมาธิในเวลานั้นความคิดอะไรๆ ไ, ไม่มีแล้วส่วนรูปนั้นหมายลมหายใจส่วนเวทนาก็มีแต่ปีติหรือสุขส่วนสัญญาก็เป็นธรรมสัญญาอย่างเดียว ส่วนสังขารเวลานั้นเป็นสติกับสมาธิหรือวิตกวิจาร์อยู่ส่วนวิญญาณก็เป็นแต่ความรู้อยู่ในเรื่องที่สงบนั้นในเวลานั้นขันห้าเข้าไปรวมอยู่เป็นอารมณ์เดียวในเวลานั้นต้องสังเกตอารมณ์ปัจจุบันที่ปรากฏอยู่เป็นความเกิดขึ้นแห่งขันพออารมณ์ปัจจุบันนั้นดับไป เป็นความดับไปแห่งนามขันส่วนรูปนั้นเช่นลมหายใจออกมาแล้วพอหายใจกลับเข้าไปลมหายใจออกนั้นก็ดับไปแล้วรั้นกลับมาหายใจออกอีกลมหายใจเข้าก็ดับไปแล้วนี่หละเป็นความดับไปแห่งขันทั้งห้าแล้วปรากฏขึ้นมาอีกก็เป็นความเกิดขึ้นทุกๆอารมณ์ และขันห้าที่เกิดขึ้นดับไปไม่ใช่ดับไปเปล่าๆรูปชีวิตตินสีความเป็นอยู่ของนามขันทั้งห้าเมื่ออารมณ์ดับไปครั้งหนึ่งชีวิตและอายุของขันทั้งห้าสิ้นไปหมดทุกๆอารมณ์วิธีสังเกตอาการขันที่สิ้นไปเสื่อมไปนั้นหมายเอาหรือคิดเอา หมายเอาก็เป็นสัญญาคิดเอาก็เป็นเจตนาเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายไม่ใช่คิดต้องเข้าไปเห็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าจึงจะเป็นปัญญาได้ถ้าเช่นนั้นจะดูความสิ้นไปเสื่อมไปของขันทั้งห้า มีต้องตั้งพิธีทำใจให้เป็นสมาธิทุกคราวไปหรือถ้ายังไม่เคยเห็นความจริงก็ต้องตั้งพิธีเช่นนี้ร่าไปถ้าเคยเห็นความจริงเสแล้วก็ไม่ต้องตั้งพิธีทำใจให้เป็นสมาธิทุกคราวก็ได้แต่พอมีสติขึ้นความจริงก็ปรากฏเพราะเคยเห็นแล้วรู้จักความจริงเสแล้ว เมื่อมีสติรู้ตัวขึ้นมาเวลาใดก็เป็นสมถะวิปัสสนากำกับกันไปทุกคราวที่ว่าชีวิตและอายุขันธ์สิ้นไปเสื่อมไปนั้นคือสิ้นไปเสื่อมไปอย่างไรเช่นเรามีลมหายใจอยู่ได้สัก100หนึ่งร้อยหนก็จะตายถ้าหายใจเสียห น, หนึ่งแล้ว ก็คงเหลืออีก99้้หนหรือเราจะคิดจะนึกอะไรได้สัก100หนึ่งรหนเมื่อคิดนึกเซหนหนึ่งแล้วคงเหลืออีก99ส้หนถ้าเป็นคนอายุยืนก็หายใจอยู่ได้มากหนเรือคิดนึกอะไรอะไรอยู่ได้มากหนถ้าเป็นคนอายุสั้นก็มีลมหายใจและคิดนึกอะไรอะไรอยู่ได้น้อยหนที่สุดก็หมดลงวันหนึ่ง เราจะต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเราจะหมายจะคิดอยู่ในเรื่องความจริงของขันอย่างนี้จะเป็นปัญญาไหมถ้าคิดเอาหมายเอาก็เป็นสมถะที่เรียกว่ามรณสติเพราะปัญญานั้นไม่ใช่เรื่องหมายหรือเรื่องคิด เป็นเรื่องของความเห็นอารมณ์ปัจจุบันที่ปรากฏเฉพาะหน้าราวกับตาเห็นรูปจึงจะเป็นปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วก็คอยสังเกตอาการขันที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันเพื่อจะให้เห็นความจริงนั่นเป็นเจตนาใช่ไหมเวลานั้นเป็นเจตนาจริงอยู่ แต่ความจริงก็ยังไม่ปรากฏเวลาที่ความจริงปรากฏขึ้นนั้นพ้นเจตนาทีเดียวไม่เจตนาเลยเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษต่อจากจิตที่สงบแล้วจิตคู่กับเจตสิกใจคู่กับธรรมารมมโนธาตุคู่กับธรรมธาต สามคู่นี้เหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันเพราะว่าจิตกับมโนธาตุก็ใจนั้นอย่างเดียวกันส่วนใจนั้นเป็นภาษาไทยภาษาบาลีท่านเรียกว่ามโนเจตสิกนั้นก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารธรรมารมณ์นั้นก็คือเวทนาสัญญาสังขาร ธรรมาธาตุนั้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารใจนั้นทำไมจึงไม่ใกล้ปรากฏเวลาที่สังเกตดูก็เห็นแต่เหล่าธ ร, รมารมณ์คือเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างมโนวิญญาณความรู้ทางใจบ้างเพราะเหตุไรใจจึงไม่ปรากฏเหมือนเหล่าธ ร, รมารม์กับมโนวิญญาณ ใจนั้นเป็นของละเอียดเห็นได้ยากพอพวกเจตสิกธรรมที่เป็นเหล่าธรรมารมณ์มากระทบเข้าก็เกิดมโนวิญญาณถูกผสมเป็นมโนสัมผัสเสียทีเดียวจึงแลไม่เห็นมโนธาตุได้อุเบคาในจตุตถาชานเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่สุขใช่หรือไม่ ไม่ใช่อทุกขมสุขเวทนานั้นเป็นเจตสิกธรรมส่วนอุเบกขาในจตุตถาชานั้นเป็นจิตสังโยชนสิบนั้นคือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลปตาปรามาตกามราคาพยาบาทรูปราคาอารูปราคา มานะอุทจารอวิชาที่แบ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเบื้องบนห้านั้นก็ส่วนสกยาทิฏฐิที่ท่านแจกไว้ตามแบบคันละสี่รวมห้าคันเป็นยี่สิบที่ว่ายอมเห็นรูปด้วยความเป็นตัวตนบ้างยอมเห็นตัวตนว่ามีรูปบ้างยอมเห็นรูปในตัวตนบ้างยอมเห็นตัวตนในรูปบ้าง ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวตนบ้างย่อมเห็นตัวตนว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวตนบ้างย่อมเห็นตัวตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างถ้าฟังดูท่านทิละสักยะทิฐิได้แล้วดูไม่เป็นตัวเป็นตนแต่ทาไมพระโสดาบัน ก็ละสักยทิฏฐิได้แล้วสังโยชนยังอยู่อีกถึงเจ็ดข้าพเจ้าชงห น, นักสักยทิฏฐิที่ท่านแปลไว้ตามแบบไกลๆฟังก็ไม่ใครเข้าใจเพราะท่านแต่ก่อนท่านพูดภาษามาคตกันท่านเข้าใจได้ความกันดีส่วนเราเป็นไทยถึงแปลแล้วก็ไม่เข้าใจของท่าน จึงลงความเห็นว่าไม่เป็นตัวเป็นตนเสียดูออกจะแรงมากไปควรจะนึกถึงพระโกลทันยะในธรรมจักท่านได้เป็นโสดาบันก่อนคนอื่นท่านได้ความเห็นว่าอย่างกินจิตสมุทยยธรร ม, มังสับพันตังนิโรธรร ม, มังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับเป็นธรรมดา ละพระสาวรีบุตรพบพระอัสสชิได้ฟังอริยสัจย่อว่าเยธัมมาเหตตัปภวาเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโธจะเอวังวาทีมหาสมโนธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุประตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุของธรรมะเหล่านั้นและความดับของธรรมะเหล่านั้นพระมหาสมณนะมีปกติกล่าวอย่างนี้ ท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและสักยะทิฐิได้ถ้าเช่นนั้นท่านก็เห็นความจริงของปัญจขันธ์ายความเห็นผิดคือทิฐิวิปลาสได้ส่วนศิลปะกับวิจิกิจฉาสองอย่างนั้นทำไมจึงหมดไปด้วยสักยะทิฐินั้นเป็นเรื่องของความเห็นผิด ถึงศิลปะก็เกี่ยวกับความเห็นว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกจะให้ดีให้ชั่วได้วิจิกิจชานั้นเมื่อผู้ที่ยังไม่เคยเห็นความจริงก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านที่ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงของสังขารทั้งปวงส่วนศิลปะนั้นเพราะความเห็นของท่านตรงแล้ว จึงเป็นอาจละศัทธาคือศรัทธาแน่วแน่ไม่หวั่นไหวไม่เห็นไปว่าสิ่งอื่นนอกจากกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลจะให้ดีให้ชั่วได้จึงเป็นอันละศิลพัทอยู่เองเพราะสังโยชน์สามเป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าตอบสังโยชน์สามอย่างนี้แล้ว มิขาด ก, ก, กันกับสักยทิฏฐิตามแบบที่ว่าไม่เป็นตัวเป็นตนหรือคาที่ว่าไม่เป็นตัวเป็นตนนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจเอาเองต่างหากเช่นกับระกโงนทัญญะเมื่อฟังธรรมจักท่านก็ละสักยะทิฏฐิได้แล้วทำไมจึงต้องฟังอนัตตลักณสูตรอีกเล่านี่ก็สอให้เห็นได้ว่า ท่านผู้ที่ละสักยะทิฏฐิได้นั้นคงไม่ใช่เห็นว่าไม่เป็นตัวเป็นตนถ้าเช่นนั้นที่ว่าเห็นอนัตตาก็คือเห็นว่าไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนอย่างนั้นหรืออนัตตาในอนัตตลัคนาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสักพระปัญจวคี มีเนื้อความว่าขันห้าไม่เป็นไปในอำนาจสิ่งที่ไม่เป็นไปในอำนาจบังคับไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นอนัตตาถ้าขันห้าเป็นอน ต, ตาแล้วก็คงจะบังคับได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรเอาความว่าขันห้าที่ไม่อยู่ในอำนาจจึงเป็นอนัตตาเพราะเหตุที่บังคับไม่ได้ ถ้าขันห้าเป็นอัตตาตัวตนก็คงจะบังคับได้ถ้าเช่นนั้นเห็นอย่างไรเล่าจึงเป็นสักยะทิฏฐิตามความเห็นของข้าพเจ้าว่าไม่รู้จักขันห้าตามความเป็นจริงเห็นปัญจขันว่าเป็นตนและเทียงสุขเป็นตัวตนแก่นสาร และเลยเห็นไปว่าเป็นสุภาความงามด้วยนี่เรียกว่าทิฏฐิวิปลาดนี่แหละเป็นสักยทิฏฐิเพราะฉะนั้นจึงเป็นคู่ปรับกับยังกินจิสมุทยาธรรมมังสัพพันตังนิโรธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับเป็นธรรมดาซึ่งเป็นความเห็นถูกความเห็นชอบ จึงถ่ายความเห็นผิดเหล่านั้นได้ถ้าเช่นนั้นทันติลาสักยะทิฐิได้แล้วอนิจังทุกขังอนัตตาจะเป็นอัธยาศัยได้ไหมถ้าฟังดูตามแบบท่านเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับเป็นธรรมดา ท่านเห็นอย่างกินจิสมุทยาธรรมมังสัพพันตังยิโรธรรมมังชัดเจนอ น, นิจจังคงเป็นอัธยาศัยส่วนทุกขังกับอนัตตาถึงจะเห็นก็ไม่เป็นอัธยาศัยเข้าใจว่าถ้าเห็นปัญจขันธ์เป็นทุกข์มากเข้ากามราคะพยาบาทก็คงน้อย ถ้าเห็นปัญจขันธ์เป็นอนัตตามากเข้ากามราคะพยาบาทก็คงหมดถ้าเห็นว่าสัพเพธรรมะอนัตตาชัดเจนเข้าสังโยชน์เบื้องบนก็คงหมดนี่เป็นส่วนความเข้าใจแต่ตามแบบท่านก็ไม่ได้อธิบายไว้ ที่ว่าพระสกิทาคามีทำการราคะพยาบาทให้น้อยนั้นดูมัวไม่ชัดเจนเพราะไม่ทราบว่าน้อยแค่ไหนไม่แตกหักเหมือนพระโสดาบันพระอนาคามีและพระอระหันต์แตกหักหรือไม่แตกหักก็ใครจะไปรู้ของท่านเพราะว่าเป็นของเฉพาะตัวถ้าจะสันนิษฐานไปตามแนวพระปริยัต ก็จะชี้ตัวอย่างให้เข้าใจบ้างหรือไม่การสันนิษฐานนั้นเป็นของไม่แน่ไม่เหมือนอย่างได้รู้เองเห็นเองแน่หรือไม่แน่ก็เอาเถิดข้าพเจ้าอยากฟังถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าท่านที่ได้เป็นโสดาบันเสร็จแล้วมีอัธยาสายใจคอซึ่งต่างกับปุถุชน ท่านได้ละกามราคะพยาบาทส่วนหยาบกับถึงล่วงทุจริตซึ่งเป็นฝ่ายอบายคามีได้คงเหลือแต่อย่างกลางอย่างละเอียดอีกสองส่วนภายหลังท่านเจริญสมถะวิปัสสนามากขึ้นก็ละกามราคะปฏิฆาสังโยชน์อย่างกลางได้อีกส่วนหนึ่งข้าพเจ้าเห็นว่านี่แหละเป็นมรรคที่สองต่อมาท่านประพฤติปฏิบัติละเอียดเข้า กละกามราคะพยาบาทที่เป็นอย่างละเอียดได้ขาดชื่อว่าพระอนาคามีกามราคะพยาบาทอย่างหยาบถึงกับล่วงทุจริตหมายทุจริตอย่างไหนหมายเอาอากุศลละกรมบทสิบว่าเป็นทุจริตอย่างหยาบ ถ้าเช่นนั้นพระโสดาบันท่านกละอกุศลละกรรมบทสิบได้เป็นสมุดเฉตคือตัดได้ขาดหรือตามความเห็นของข้าพเจ้าเห็นว่ากายทุจริตสามคือปานาฆ่าสัตว์อตินาลักทรัพกาเมสุมิชาจารพระพิผิดในกามมโนทุจริตสาอาพิชาความโลภอยากได้พยาบาท และมิชาทิฏฐินี้ละขาดได้เป็นสมุทเฉดส่วนวจีกรรมที่สี่คือมุสาวาจก็ละได้ขาดส่วนวจีกรรมอีกสามตัวคือปิสุณวาจาพูดสอเสียดเน็บแนมพรุษุสวาจาคำหยาบสัมผัสปลาปะพูดเพอเจอ้อละได้แต่ส่วนหยาบที่ปุตุชนกล่าวอยู่แต่ส่วนละเอียดยังละไม่ได้ ต้องอาศัยสังวรความระวังไว้ที่ต้องสำรวมวจีกรรมสามเพราะเหตุอะไรทำไมจึงไม่ขาดอย่างมุสาวาดตอบว่าเป็นด้วยการาคากับปฏิฆะความขับแคนขัดเคืองใจสังโยชน์ทั้งสองยังละไม่ได้ วจีกรรมสามมาเกี่ยวอะไรกับสังโยชน์ทั้งสองด้วยเล่าบางคาบบางสมัยเป็นต้นว่ามีเรื่องที่จำเป็นเกิดขึ้นในคนรักของท่านกับคนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาทำความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งจำเป็นที่จะต้องพูดครั้นพูดไปแล้วเป็นเหตุให้เขาห่างจากคนนั้นจึงต้องระวัง ส่วนปิสุนาวาจาคำพูดส่อเสียดบางคราวความโกรธเกิดขึ้นที่สุดจะพูดออกไปด้วยกำลังใจที่โกรธว่าพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญที่เรียกว่าประชดท่านก็สงเคราะห์เข้าในพรุสวาจาเพราะเหตุนั้นจึงต้องสำรวมส่วนสัมผัสปลาปะหรือคำพูดเพอเจอนั้น ดิราชานคาถาต่างๆคือเรื่องทางโลกต่างๆมีมากถ้าสมัยที่เผลอสติมีคนมาพูดก็าอาจจะพลอยพูดไปด้วยได้เพราะเหตุ น, นั้นจึงต้องสำรวมพระโสดาบันยังมีเวลาเผลอสติอยู่หรือทำไมท่านจะไม่เผลอสั่งโย์ยังอยู่อีกถึงเจ็ด ท่านไม่ใช่พระอาหารหันต์จะได้บริบูรณ์ด้วยสติกามราคะพยาบาทอย่างกลางหมายความเอาแค่ไหนเมื่อเกิดขึ้นจะได้รู้ความรักและความโกรธที่ปรากฏขึ้นมีเวลาสั้นหายเร็วไม่ถึงกับล่วงทุจริตนี่ยละเป็นอย่างกลาง ก็กรารมราคาพยาบาทอย่างละเอียดนั้นหมายเอาแค่ไหนแล้วเรียกว่าพยาบาทดูหยาบมากเพราะเป็นชื่อของอกุศลบางแห่งก็เรียกว่าปฏิฆะสังโยชน์ก็มีแต่ความเห็นของข้าพเจ้าว่าไม่ควรเรียกพยาบาทควรจะเรียกปฏิฆะสังโยชน์ดูเหมาะดี ก็ปฏิคะกับการมราคะที่อย่างละเอียดนั้นจะได้แก่อาการของจิตเช่นใดความกำนัดที่อย่างละเอียดพอปรากฏขึ้นไม่ทันคิดออกไปก็หายทันทีส่วนปฏิฆะนั้นเช่นคนที่มีสาเหตุโกรธกันมาแต่ก่อนรนนานมาความโกรธนั้นก็หายไปแล้วและไม่ได้นึกถึงเสียเลย ครั้นไปในที่ประชุมแห่งใดแห่งหนึ่งไปพบคนนั้นเข้าก็มีอาการสะดุดใจไม่สนิทสนมหรือเกอ้อเขินผิดกับคนธรรมดาซึ่งไม่เคยมีสาเหตุกันข้าพเจ้าเห็นว่าอาการเหล่านี้เป็นอย่างละเอียดควรจะเรียกปฏิคะสังโยชน์ได้แต่ตามแบบท่านก็ไม่ได้อธิบายไว้ สังโยชน์ทั้งสองนี้เห็นจะเกิดจากคนโดยตรงไม่ใช่เกิดจากสิ่งของทรัพย์สมบัติอื่นๆถูกแล้วเช่นวิสาขาอุบาสกเป็นพระอนาคามีได้ยินว่าหลีกจากนางธรรมทินนาไม่ได้หลีกจากสิ่งของทรัพย์สมบัติส่วนอื่นๆส่วนความโกรธหรือปฏิฆะที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของคนทั้งนั้น ถึงแม้จะเป็นเรื่องสิ่งของก็เกี่ยวข้องกับคนตกลงโกรธคนนั่นเองส่วนสังโยชน์เบื้องต่านั้นก็ได้รับความอธิบายมามากแล้วแต่ส่วนสังโยชน์เบื้องบนห้าตามแบบอธิบายไว้ว่ารูปราคะคือยินดีในรูปฌานอารูปราคะยินดีในอรูปฌานถ้าเช่นนั้น คนที่ไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติ8สังโยชน์ทั้งสองก็ไม่มีโอกาสจะเกิดได้เมื่อเป็นเช่นนี้สังโยชน์สองอย่างนี้ไม่มีหรือตอบว่ามีไม่เกิดในฌานก็ไปเกิดในเรื่องอื่นเกิดในเรื่องไหนบ้างขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจ ความยินดีในรู ป, ปรขันคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผธพะนั้นชื่อว่ารูปราคาความยินดีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือยินดีในสมถวิปัสนาหรือยินดีในส่วนมรรคผลที่ได้บรรลุเสกคุณแล้วเหล่านี้ก็เป็นอรู ป, ปราคาได้ วความยินดีในกามห้าพระอนาคามีละได้แล้วไม่ใช่หรือทำไมจึงมาเกี่ยวกับสังโยชน์เบื้องบนอีกเล่ากามมีสองชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวที่พระอนาคามีละได้นั้นเป็นส่วนกำหนัดในเมถุนซึ่งเป็นคู่กับพยาบาทส่วนความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผดถั่วที่ไม่ได้เกี่ยวกับเมถุน จึงเป็นสังโยชน์เบื้องบนคือรูปปาราคะส่วนความยินดีในนามขันทั้งสหรือสมถวิปัสนาหรือมรรคผลชั้นต้นๆ้นเหล่านี้ชื่อว่าอารูปปาราคะซึ่งตรงกับความยินดีในธรรมอารมณ์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเบื่อหน่านิรู ป, ปขันธ์หรือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเป็นภายนอก จึงได้สิ้นไปแห่งรู ป, ปราคะสังโยชน์และท่านเบื่อในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือวิปัสนาที่อาศัยขันเกิดขึ้นเมื่อท่านสิ้นความยินดีในนามขันแล้วแม้ธรรมะทั้งหลายอาศัยขันเกิดขึ้นท่านก็ไม่ยินดีได้ชื่อว่าละความยินดีในธรรมารมณ์ซึ่งคู่กับความยินร้าย เพราะความยินดียินร้ายในนามรูปหมดแล้วท่านจึงเป็นผู้พ้นแล้วจากความยินดียินร้ายในอารมณ์6กจึงถึงพร้อมด้วยคุณคือฉลังคู่เบกขาหมายเหตุอุเบกขานั้นมีทั้งหมด10บประเภทประเภทที่หนึ่งคือฉลังคู่เบกขาอุเบกขาประกอบด้วยองค์หกคือการวางเฉยในอายตนะทั้ง6 ส่วนมานะสังโยชนั้นมีอาการอย่างไรมานะสังโยชนั้นมีอาการให้วัดเช่นกับนึกถึงตัวของตัวก็รู้สึกว่าเป็นเราส่วนคนอื่นก็เห็นว่าเป็นเขาและเห็นว่าเราเสมอกับเขาหรือเราสูงกว่าเขาหรือเราต่ำกว่าเขาอาการที่วัดชนิดนี้หละเป็นมานะสังโยชน์ ซึ่งเป็นคู่ปรับกับอนัตตาหรือสัพเพธรรมาอนัตตาถามว่าก็อุทธจะสังยช์ความฟุ้งซ่านทางจิตนั้นมีลักษณะอย่างไรเช่นพระอนาคามีละสังยน์เบื้องต่ำได้หมดแล้วส่วนอุทธจะสังยน์จะฟุ้งไปทางไหน ตอบว่าตามแบบท่านอธิบายไว้ว่าฟุ้งไปในธรรมเพราะท่านยังไม่เสร็จกิจจึงได้ฝักใฝ่อยู่ในธรรมถามว่าอาวิชชาสังโยชน์นั้นไม่รู้อะไรตอบว่าตามแบบท่านอธิบายไว้ว่าไม่รู้ขันที่เป็นอดีตหนึ่งอนาคตหนึ่งปัจจุบันหนึ่งอริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาทหนึ่งความไม่รู้ในที่8ดอย่างนี้แหละชื่อว่าอาวิชชาพระเสขาบุคคลท่านก็รู้อริยสัจสี่ด้วยกันทั้งนั้นทำไมอวิชชาสังโยชนึงยังอยู่อวิชชามีหลายชั้นเพราะฉะนั้นวิชาก็หลายชั้นส่วนพระเสขาบุคคล มักและผลชั้นใดที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านก็รู้เป็นวิชาขึ้นชั้นใดยังไม่รู้ก็ยังเป็นอวิชาอยู่เพราะฉะนั้นจึงหมดในขั้นที่สุดคือพระอระหันต์ราเสขาบุคคลท่านเห็นอริยสัตว์แต่ละตันหาไม่ได้ มีไม่ได้ทำกิจในอริยศัสตร์หรือท่านก็ทำทุกชั้นนั่นแหละแต่ก็ทำตามกำลังที่ว่าตามชั้นนั้นทำอย่างไรเช่นพระโสดาบันได้เห็นปัญจขันธ์เกิดขึ้นดับไปก็ชื่อว่าได้กำหนดรู้ทุกข์และได้ละสังโยสามหรือทุจริตส่วนห ย, ยาบ ก็เป็นอันละสมุทยัยความที่สังโยตสามสิ้นไปเป็นส่วนนิโรธตามชั้นของท่านส่วนมักท่านก็ได้เจริญมีกำลังพอละสังโยตสามได้และท่านปิดอบายได้ชื่อว่าท่านทำภคคือทุกขติให้หมดไปที่ตามแบบเรียกว่าขีนนิโยมีนรกสิ้นแล้ว ส่วนพระสะกิทาคามีหรือพัะสะกาทาคามีก็ได้กำหนดทุกคือปัญจขันธ์แล้วละกามราคะพยาบาทอย่างกลางได้ชื่อว่าละสมุทยัยข้อที่กามราคะพยาบาทอย่างกลางหมดไปจึงเป็นนิโรธของท่านส่วนมรคนั้นก็จเจริญมาได้เพียงละกามราคะพยาบาทอย่างกลางนี่แหละจึงได้ทำภพชาติให้น้อยลง ส่วนพระอนาคามีทุกข์ได้กำหนดแล้วละกามราคาพยาบาทส่วนละเอียดหมดได้ชื่อว่าละสมุไทยกามราคาพยาบาทอย่างละเอียดนี่หมดไปจึงเป็นนิโรธของท่านส่วนมรคนั้นก็เจริญมาเพียงละสังโยชน่าได้หมดและได้สิ้นพบคือการมธาต ศีล ส, สมาธิปัญญาที่เป็นโลกีกับโลกุตระนั้นต่างกันอย่างไรศีล ส, สมาธิปัญญาของผู้ปฏิบัติในภูมิกามาพจรรูปปาพจรอรูปาพจรเนี่ยละเป็นโลกีที่เรียกว่าวัตคามีกุศลเป็นกุศลที่วนอยู่ในโลก ส่วนศีลสมาธิปัญญาของท่านผู้ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันแล้วไปเรียกว่าวิวัตคามีกุศลเป็นเครื่องข้ามขึ้นจากโลกนี่ละเป็นโล ก, กุตระทันทีบรรลุฌานถึงอรูปสมาบัติแล้วก็ยังเป็นโล ก, กีอยู่ถ้าเช่นนั้นเราจะปฏิบัติให้เป็นโล ก, กุตระก็เห็นจะเหลือวิสัย ไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงธรรมสั่งสอนถ้าเหลือวิสัยพระองค์ก็คงไม่ทรงแสดงถ้าเราไม่ได้บรรลุฌานชั้นสูงสูงจะเจริญปัญญาเพื่อให้ถึงซึ่งมรรคและผลจะได้ไหมได้เพราะวิธีที่เจริญปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิจริงอยู่ แต่ไม่ต้องถามถึงกับชาญอาศัยสงบจิตที่พ้นนิวรณก็พอเป็นบาทของวิปัสนาได้ความสงัดจากรกามจากอากุศลของผู้ที่บรรลุชาโลกีกับความสงัดจากรกามจากอากุศลของพระอนาคามีต่างกันอย่างไรต่างกันมากตรงกันข้ามทีเดียว ทำไมจึงได้ต่างกันถึงกับตรงกันข้ามทีเดียวฌานที่เป็นโลกีต้องอาศัยความเพียรมีสติคอยระวังละอากุศลและความเจริญกุศลให้เกิดขึ้นมีฌานเป็นต้นและยังต้องทำกิจที่คอยรักษาฌานนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมถึงแม้ว่าจะเป็นอรูปฌานที่ว่าไม่เสื่อมในชาตินี้ชาติหน้าต่อต่อไปก็อาจจะเสื่อมได้ เราะเป็นกุปปธรรมกุปปธรรมคือผู้มีธรรมที่ยังกำเริบได้หมายถึงผู้ที่ได้สมาบัติแล้วอาจเสื่อมได้อกุปปธรรมคือผู้มีธรรมที่ไม่กำเริบคือผู้ที่เมื่อได้สมาบัติแล้วสมาบัตินั้นจะไม่เสื่อมไปเลยได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหมด ถเช่นนั้นส่วนความสงัดจักรการจากอากุศลของพระอนาคามีท่านไม่มีเวลาเสื่อมหรือพระอนาคามีท่านละการมรราคาสังโยชนกับปฏิฆะสังโยชนได้ขาดเพราะฉะนั้นความสงัดจากการจากอากุศลของท่านเป็นนัตถยาัยที่เป็นเองอยู่เสมอโดยไม่ต้องอาศัยความเพียรเหมือนอย่างฌานที่เป็นโลกี ส่วนวิจิกิจชาสังโยชน์นั้นหมดมาตั้งแต่เป็นโสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นอุทธจนิวร์ที่ฟุ้งไปหาการและพยาบาทก็ไม่มีถึงถีณมิถธนิวร์คือความหดหูและเคลิ้อเคลิมอ่อนเหี่ยวท้อแท้หมดหวังเศร้าซึมง่วงเหงาหานอนก็ไม่มีเพราะเหตุนั้นความสงัดจากกามจากอกุศลของท่านจึงไม่เสื่อมเพราะเป็นเอง ไม่ใช่ทําเอาเหมือนอย่างชาโลกีถ้าเช่นนั้นผู้ที่ได้บรรลุพระอนาคามีความสงัดจาักรกามจากอกุศลที่เป็นเองมีไม่มีหรือตอบว่าถ้านึกถึงพระสกิทาคามีที่ว่าทําสังโยชน์ทั้งสองให้น้อยเบาบาง น่าจะมีความสงัดจากการจากอากุศลที่เป็นเองอยู่บ้างแต่ก็คงจะอ่อนที่ว่าพระอนาคามีมีม่มานเป็นสมาธิปริปุริการีบริบณ์ด้วยสมาธิเห็นจะเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่สมาธิเพราะว่าสมาธินั้นเป็นมักต้องอาศัยเจตนาเป็นส่วนภาเวตาพรธรรม คือธรรมะอันพึงเจริญหรือพึงปฏิบัติบำเพ็ญต้องปฏิบัติหรือลงมือทำรรส่วนของพระอนาคามีท่านเป็นเองไม่มีเจตนาเป็นสัตจิกาตัปภธรรมคือธรรมะอันพึงประจักแจ้งสิ่งที่ควรได้ควรถึงหรือควรบรรลุเพราะฉะนั้นจึงได้ต่างกันกันกบฌานที่เป็นโลกี นิวนและสังโยชนั้นข้าพเจ้าทําไมจึงไม่รู้จักอาการคงรู้จักแต่ชื่อของนิวรและสังโยน์ตามแบบในมหาสติปฐานพระพุทธเจ้าสอนสาวกให้รู้จักนิวรและสังโยต์พระสาวกของท่านตั้งใจกำหนดสังเกตก็ละนิวรและสังโยตได้หมดจนเป็นพระอรหันต์โดยมากส่วนท่านที่อินทรีย์อ่อน ยังไม่เป็นพระอระหันต์ก็เป็นพระเสขขบุคคลคือโสดาบาันขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงอรหันต์ส่วนเราไม่ได้ตั้งใจไม่สังเกตเป็นแต่จำว่านิวร์หรือสังโยชน์แล้วก็ตั้งกองพูดและคิดไปจึงไม่พบตัวจริงของนิวร์และสังโยชน์เมื่ออาการของนิวร์และสังโยชน์อย่างไรก็ไม่รู้จักแล้วจะละอย่างไรได้ ถ้าเช่นนั้นผู้ปฏิบัติทุกวันนี้ที่รู้จักลักษณะและอาการของนิวรและสังโยชน์จะมีบ้างไหมมีถมไปชนิดที่เป็นสาวกตั้งใจรับคำสอนและประพฤติปฏิบัติจริงๆนิวรณห้าเวลาที่เกิดขึ้นในใจมีลักษณะอย่างไรจึงจะทราบได้ว่าอย่างนี้คือกามฉชัน อย่างนี้คือพาบาดหรือทินามิทะอุตจักกุกุจจะวิจิกิจชาและมีชื่อเสียงเหมือนกับสังโยชน์จะต่างกันกันกบสังโยชน์หรือว่าเหมือนกันขอท่านจงอธิบายลักษณะของนิวรและสังโยชน์ให้ข้าพเจ้าเข้าใจจะได้สังเกตถูกการมาชันทะนิวรคือความพอใจในกามส่วนกามนั้น อยกเป็นสองคือกิเลสกามหนึ่งวัตถุกรมอย่างหนึ่งเช่นความกำหนัดในเมทุนเป็นต้นชื่อว่าเป็นกิเลสกามความกำหนัดในทรัพย์สมบัติเงินทองที่เป็นบ้านนาสวนและเครื่องใช้สอยหรือบุตรภรรยาพวกพ้องและสัตว์เลี้ยงของเลี้ยงที่เรียกว่าวิญญาณกสัพวิญญาณกสัพเหล่านี้ชื่อว่าวัตถุกรม ความคิดกำหนัดพอใจในส่วนทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าการะฉันนิวรณ์ส่วนพยาบาทนิวรณ์คือความโกรธเคืองหรือคิดแช่งสัตว์ให้พินาศ ช, ชื่อว่าพยาบาทนิวรความง่วงเหงาหาวนอนชื่อว่าธีนมิทธนิวรความฟุ้งซ่านรำคาญใจ ชื่อว่าอุทจักกุกุจานิวร์ความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสงสัยในกรรมที่สัตว์ทำรรเป็นบุญเป็นบาปหรือสงสัยในผลกรรมเหล่านี้เป็นต้นชื่อว่าวิจิกิจฉารวมห้าอย่างนี้ชื่อว่านิวรเป็นเครื่องกั้นกลางหนทางดี กามชฉันทะนิวร อ, อธิบายเกี่ยวไปตลอดกระทั่งวิญญาณอากาศซับคือทรั์ที่มีวิญญาณหรือมีชีวิตและอวิญญาณอากาศซัว่าเป็นวัตถุกรามถ้าเช่นนั้นผู้ที่ยังครองเรือนซึ่งยังต้องเกี่ยวข้องกับซั์สมบัติอัทรรเงินทองพวกพ้องญาติมิตรก็จำเป็นจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้นเพราะเกี่ยวเนื่องกับตนก็มีเป็นกามฉันทะนิวร์ไปหมดหรือ ถ้านึกตามธรรมดาโดยจําเป็นของผู้ที่ยังครองเรือนอยู่โดยไม่ได้กำหนัดยินดีก็เป็นอนญะญสมนาคือเป็นกลางกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปถ้าคิดถึงวัตถุกรรมเหล่านั้นเกิดความยินดีพอใจรักใคร่เป็นห่วงยึดถือหมกมุ่นพัวพันอยู่ในวัตถุกรรมเหล่านั้นจึงจะเป็นกามชันทนานิวรสมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า นาเตกามายานิจิตรานิโลเกอารมณ์ที่วิจิตงดงามเหล่าใดในโลกอารมณ์เหล่านั้นมิได้เป็นกามสังกป ร, ราโคอุริสสะกามโมความกำหนัดอันเกิดจากความดำรินี่ละเป็นกามของคนอิทันติจิตรานิตเทวะโลเกอารมณ์ที่วิจิตงดงามในโลกก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเอง อเทธธทธิทราวินยันติฉันทังเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงทำลายเสียได้ซึ่งความพอใจในกามนั้นนี่กระทาให้เห็นชัดเจนได้ว่าถ้าฟังตามคถาพระพุทธภาษิตนี้ถ้านึกคิดถึงวัตถุ ก, กามตามธรรมดาก็ไม่เป็นกามฉันทานิวรถ้าคิดนึกอะไรอะไรก็เอาเป็นนิวรณเสียหมดก็คงจะหลีกไม่พ้นนรก เพราะนิวรเป็นอกุศลพยาบาทนิวรนนั้นหมายความโกรธเคืองประทุษร้ายในคนถ้าความกำหนัดในคนก็เป็นกิเลสกามถูกไหมตอบว่าถูกแล้วถามว่า ความง่วงเหงาวหาวนอนเป็นทีนมิทานิวอนถ้าเช่นนั้นเวลาที่เราหาวนอนมิเป็นนิวรนทุกคราวไปหรือหานอนตามธรรมดาเป็นอาการร่างกายที่จะต้องพักผ่อนไม่เป็นทีน่ามิทานิวอนกามาชันทะหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วก็อ่อนกำลังลงไปหรือดับไปในสมัยนั้น มีอาการมัวซัวและง่วงเหงาไม่สามารถจะระลึกถึงกุศลได้จึงเป็นทีนามิทะนิวรณ์ถ้าหานอนตามธรรมดาเรายัางดำรงสติสัมปชัญญะอยู่ได้จนกว่าจะหลับไปจึงไม่ใช่นิวรณ์เพราะทีนามิทะนิวรณ์เป็นอกุศลถ้าจะเอาหานอนตามธรรมดาเป็นทีนามิทะแล้ว เราก็คงจะพ้นจากทีนะมิทานิวรนไม่ได้เพราะต้องมีหานอนทุกวันด้วยกันทุกคนความฟุ้งซ่านรำคาญใจที่ว่าเป็นอุทธจักุกุจานิวร์นั้นหมายฟุ้งไปในที่ใดบ้างฟุ้งไปในการรมฉันทะบ้างพยาบาทบ้างแต่ในบาปรรมส4บสี่ ท่านแยกเป็นสองอย่างอุทธจักความฟุ้งซ่านกุกกุ จ, จักความรำคาญใจแต่ในนิวรณ์หท่านรวมไว้เป็นอย่างเดียวกันนิวรณ์หเป็นจิตหรือเจตสิกเจตสิกคือธรรมะที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตเช่นความโลภความโกรธความหลงศรัทธาเมตตาสติปัญญาเป็นต้นนิวรหเป็นจิตหรือเจตสิกตอบว่าเป็นเจตสิกธรรมฝ่ายอากุศลประกอบกับจิตที่เป็นอกุศลประกอบกันประกอบอย่างไร เช่นการมชันทานิวรก็เกิดในจิตที่เป็นพวกโลภะมูลพยาบาทกุกุจานิวรก็เกิดในจิตที่เป็นโทสะมูลทินามิธ h อุทจาวิจิกิจฉาก็เกิดในจิตที่เป็นโมหะมูลพระพุทธเจ้าทรงเปรียบนิวร์ทั้งห้ามาในสามัญญพผลสูตรที่ข้านิกายศิล k ัน n วร a k หน้าเกสาว่ากามาชันท่านิวรเหมือนคนเป็นหนี้พยาบาทนิวรเหมือนคนไข้หนักหินณมิทานิวรเหมือนคนติดในเรือนจำอุทจักกุก จ, จานิวรเหมือนคนเป็นทาตวิจิกิจฉานิวรเหมือนคนเดินทางกันดานมีภัยหน้าหวาเสียว เพราะฉะนั้นคนที่เขาพ้นนีหรือหายเจ็บหนักหรือออกจากเรือนจำหรือพ้นจากธาตุหรือได้เดินทางถึงที่ประสงค์พ้นภัยกเกษมสำราญเขายอมถึงความยินดีฉันใดผู้ที่พ้นนิวรณนทั้งหก็ยอมถึงความยินดีฉันนั้นและในสังฆารวาสูตรในปัญจการนิบาตอังกุตระนิกายหน้า257 พระพุทธเจ้าทรงเปรียบนิวร์ด้วยน้ำห้าอย่างว่าบุคคลจะส่องเงาหน้าก็ไม่เห็นชันใดนิวรณ์ทั้งห้าเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่เห็นธรรมะความดีความชอบชันนั้นการมาันท่นิวรณ์เหมือนน้ำที่ระคดด้วยสีต่างๆเช่นสีครั่งสีชมพูเป็นต้นอยาบาทนิวรณ์เหมือนน้ำที่มีจอกแหนปิดเส้อหมด อุทจกักกุฏ จ, จักนิวร์เหมือนน้ำที่คลื่นเป็นระลอกวิจิกิจฉานิวร์เหมือนน้ำที่ขุนข้นเป็นโคลนตมเพราะฉะนั้นน้ำห้าอย่างนี้บุคคลไม่อาจส่องดูเงาหน้าของตนได้ฉันใดนิวรณ์ทั้งห้าที่เกิดขึ้นครอบงมใจของบุคคลไม่ให้เห็นธรรมะความดีความชอบได้ก็ฉะนั้น ทำไมคนเราเวลาไข้หนักใกล้จะตายก็ทำบาปกรรมความชั่วอะไรไม่ได้แล้วจะกล่าวว่าจีทุจริตปากก็พูดไม่ได้จะล่วงทำกายทุจริตมือและเท้าก็ไหวไม่ได้แล้วยังเหลือแต่ความคิดนึกทางใจนิดเดียวเท่านั้นทำไมใจประกอบด้วยนิวรจึงไปทุกคติได้ดูไม่น่าจะเป็นบาปกรรมโตใหญ่อะไรเลย ข้อนี้น่าอัศจรรย์นักขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจอิเลดเป็นเหตุให้ก่อกรรมกรรมเป็นเหตุให้ก่อวิบากที่เรียกว่าไตรวัดนั้นวัดหรือวัตต์ซึ่งแปลว่าการหมุนการเวียนไปอิเลดเป็นเหตุให้ก่อกรรม กรรมเป็นเหตุให้ก่อวิบากที่เรียกว่าไตรวัดนั้นเช่นอนุสัยหรือสังโยชน์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นชื่อว่ากิเลสวรรัฏผู้ที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติก็ทำในใจไม่แยกายที่เรียกว่าอโยนิโสคิดต่อออกไปเป็นนิวรห้หรืออุปกิเลส6จึงเป็นกรรมวัฏฝ่ายบาป ถ้าดับจิตไปในสมัยนั้นจึงได้วิบากวัดที่เป็นส่วนทุกขติเพราะกรรมาวัดฝ่ายบาปส่งให้อุปมาเหมือนคนปลูกต้นไม้ไปนำพืชพันธ์ของไม้ที่เบื่อเมามาปลูกไว้ต้นและใบที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นของเบื่อเมาแม้ผลและดอกที่ออกมาก็เป็นของเบื่อเมาตามพืชพันธ์เดิมซึ่งนำมาปลูกไว้นิดเดียว แต่ก็กลายเป็นต้นโตใหญ่ไปได้เหมือนกันข้อนี้ฉันใดจิต ท, ที่เศร้าหมองเวลาตายก็ไปทุกขติได้ฉันนั้นและเหมือนพืชพันธ์แห่งผลไม้ที่ดีมีกลิ่นหอมมีรสหวานบุคคลไปนำพืชพันธ์มานิดเดียวปลูกไว้แม้ต้นและใบก็เป็นไม้ที่ดีทั้งผลและดอกที่ออกมาก็ใช้แล้วรับประทานได้ ตามความประสงค์เพราะอาศัยพืชที่ดีซึ่งนํามานิดเดียวปลูกไว้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เป็นกุศลผ่องใสแล้วตายในเวลานั้นจึงไปสู่สุขคติได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าจิตเตสังกาลิเททุคติปาติ ก, กังขาเวลาตายจิตเศร้าหมองแล้วทุกคติเป็นหวังได้ จิตเตะสังกิริเถสุขติปาติกังขาจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองเวลาตายสุขติเป็นหวังได้อโยนิโสมณสิกาโรความทําในใจไม่แยบขายโยนิโสมณสิกาโรความทําในใจแยบไขสองอย่างนั้นคือ ทำอย่างไรชื่อว่าไม่แยบคายทำอย่างไรจึงชื่อว่าแยบคายความธรรมสุภานิมิตรไว้ในใจคือเห็นว่างามการมชันทานิวรที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็งอกงามความธรรมปฏิฆะนิมิตไว้ในใจคือความขัดใจแค้นเคืองพยาบาทนิวรที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็งอกงามอย่างนี้ชื่อว่าทำในใจไม่แยบคายการทำอสุภาษสัญญาไว้ในใจคือไม่สวยไม่งามไม่ดีไม่น่าชื่นชมน่าเกลียดน่าระอากามัชันทานิวรความพอใจใกล้ในกามโลกีทั้งปวงที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไป การทำเมตตาไว้ในใจพยาบาทนิวรณที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไปเช่นนี้เป็นตัวอย่างหรือความทำในใจอย่างไรก็ตามอากุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็งอกงามก็ชื่อว่าทำในใจไม่แยบคายหรือจะคิดนึกอย่างไรก็ตามอกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็บริบูรณ์อย่างนี้ชื่อว่าทำในใจแยบคายสมด้วยสาวกภาสิทธิ์ที่พระสารีบุตรแสดงไว้ในพระทศตรัสูตรหมวดสองว่าโยจะเหตุโยจะปัจจโยสัตตานังสังกิรสายะความไม่ทำในใจโดยอุบายอันแยบคายเป็นเหตุด้วยเป็นปัจจัยด้วยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายหนึ่ง โยจะเหตุโยจะปัจจโยสัตตานังวิสุทธิยาความทำในใจโดยอุบายแยบคายเป็นเหตุด้วยเป็นปัจจัยด้วยเพื่อจะได้บริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายที่ว่าอนุสัยกับสังโยตเป็นกิเลสวัตรหรือกิเลสวัตตะส่วนนิวรหรืออุปกิเลส16 ว่าเป็นกรรมวัดหรือกรรมวัตตะเวลาที่เกิดขึ้นนั้นมีอาการต่างกันอย่างไรจึงจะทราบได้ว่าประเภทนี้เป็นนิวรหรืออุปกิเลสสิบหตอบว่าเช่นเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐพะรู้รรมารมด้วยใจหกอย่างนี้ แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ดีนั้นเป็นอิทธารมณ์อารมณ์หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดยินดีส่วนอารมณ์6ที่ไม่ดีเป็นอนิทธาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายไม่ชอบโกรธเคืองผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงหรือไม่มีสติเวลาที่ตาเห็นรูปที่ดี ยังไม่ทันคิดว่ากอะไรก็เกิดความยินดีกำนัดพอใจขึ้นแค่นี้เป็นสังโยชน์ถ้าคิดต่อมากออกไปก็เป็นการมาชันทะนิวรหรือเรียกว่าการมวิตกก็ได้หรือเกิดความโลภอยากได้ที่ผิด ธ, ธรรมก็เป็นอภิชาวิสมะโลโพที่อยู่ในอุปกิเลสสบหหรือในมโนกรรมอากุศลกรรมบทสิบ ชนิดนี้ประกอบด้วยเจตนาเป็นกรรมวัตรฝ่ายบาปเวลาตาเห็นรูปที่ไม่ดีไม่ทันคิดว่ากะไรเกิดความไม่ชอบหรือเป็นโทมนต์ปฏิฆะขึ้นไม่ประกอบด้วยเจตนาแค่นี้เป็นปฏิฆะสังโยชน์คือกิเลสวัต์ถ้าคิดต่อออกไปถึงโกรธเคืองประทุษร้าย ก็เป็นพยาบาทนิวรหรืออุปกิเลสหรืออกุศุลกรรมบทสิบชนิดนี้ก็เป็นกรรมวัดฝ่ายบาปเพราะประกอบด้วยเจตนานี่ชี้ให้ฟังเป็นตัวอย่างแม้กิเลสอื่นๆก็พึงตัดสินใจอย่างนี้ว่ากิเลสที่ไม่ตั้งใจให้เกิดก็เกิดขึ้นได้เองพวกนี้เป็นอนุสัยหรือสังโยชน์เป็นกิเลสวั ถ้าประกอบด้วยเจตนาคือยืดยาวออกไปก็กรรมมาวัดถ้าเช่นนั้นเราจะตัดกิเลสวรัร์จะตัดอย่างไรต้องตัดได้ด้วยอริยมรรคเพราะสังโยชน์ก็ไม่มีเจตนาอาริยมรรคก็ไม่มีเจตนาเหมือนกัน จึงเป็นคู่ปรับสำหรับละกันถ้าการปฏิบัติของผู้ดำเนินยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะตัดได้สังโยชน์ก็ยังเกิดอยู่แล้วก็เลยเป็นกรร ม, มวัดฝ่ายบาปต่อออกไปมีต้องได้วิบากวัดที่เป็นส่วนทุกติเซยร์เพราะอย่างนั้นนะสิผู้ที่ยังไม่ถึงโสดาบันจึงปิดอบายไม่ได้ ถ้าเช่นนั้นใครจะไปสวรรค์ได้บ้างเล่าในชั้นผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ถึงโสดาบันไปได้เพราะอาศัยเปลี่ยนกรรมสังโยชน์ยังอยู่ก็จริงถ้าประพฤติทุจริตกายวาจาใจเวลาตายใจเศร้าหมองก็ต้องไปทุกขติถ้ามาตั้งใจเว้นทุจริตอยู่ในสุจริตทางกายวาจาใจและเวลาตายก็ไม่เศร้าหมอง ก็มีสติสัมปชัญญะก็ไปสุขติได้เพราะเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมมีสองอย่างกันหังเป็นกรรมดำคือทุจริตกายวาจาใจสุกังเป็นกรรมขาวคือสุจริตกายวาจาใจย่อมให้ผลต่างกัน ผู้ที่ยังมีชีวิตยอยู่ได้ประพฤติสุจริตกายวาจาใจเวลาตายใจเศร้าหมองไม่ต้องไปทุกขติเสือรือหรือผู้ที่ประพฤติทุจริตกายวาจาใจแต่เวลาตายใจเป็นกุศลมีไปสุกติได้หรือก็ไปได้นะสิได้เคยฟังหนังสือของสมเด็จพระวรรณรัตน์สมเด็จทัพวัดสมณนัดบ้างหรือเปล่าเวลาลงโบสถ์ท่านเคยแสดงให้พระเนนฟัง ภายหลังได้มาจัดพิมพ์กันขึ้นรวมกับข้ออื่นๆท่านเคยแสดงว่าภิกษุรักษาศีลบริสุทธิ์เวลาจะตายห่วงเนจีวอนตายไปเกิดเป็นเลนและภิกษุอีกองค์หนึ่งเวลาใกล้จะตายนึกขึ้นได้ว่าทำใบตะไคร้น้ำขาดมองหาเพื่อนภิกษุที่จะแสดงอาบัติก็ไม่มีใครใจก็กังวลอยู่อย่างนั้นแหละรั้นตายไปก็เกิดเป็นพญานาค ละอุบาสกอีกคนหนึ่งจเจริญกายคตาสติมาถึงส0สิปีก็ไม่ได้บรรลุคุณในวิเศษอย่างใดเกิดความสงสัยในพระธรรมตายไปเกิดเป็นจระเข้ด้วยโทษวิจิกิจชานิวร์ส่วนโตเอยพรามนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติห่วงทรัพย์ที่ฝังไว้ตายไปเกิดเป็นลูกสุ น, นัขอยู่ในบ้านของตนเองด้วยโทษการมชันทนิวรณเหมือนกัน และในพรานผู้หนึ่งเตยฆ่าสัตว์มากเวลาใกล้จะตายพระสารีบุตรสอนให้รับไตรสรนาคมจิตก็ตั้งอยู่ในกุศลยังไม่ทันจะให้ศีลในพรานก็ตายไปสู่สุขคติด้วยจิตที่เป็นกุศลตั้งอยู่ในไตรสรนาคมนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ตายใจเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์กรรมของผู้ที่กระทำในเมื่อเวลาใกล้จะตายนั้น ชื่อว่าอสัญกรรมต้องให้ผลก่อนกรรมอื่นๆท่านเปรียบว่าเหมือนโคอยู่ใกล้ประตูคอกแม้จะแก่กาลังน้อยก็ต้องออกได้ก่อนส่วนโคอื่นถึงจะมีกำลังมากที่อยู่ข้างในต้องออกทีหลังข้อนี้ฉันใดกรรมที่บุคคลทำเมื่อใกล้จะตายจึงต้องให้ผลก่อนฉันนั้น ถามว่าส่วนอนุัยและสังโยชน์เป็นกิเลสวัสตรนิวรณหรืออุปกิเลสสบหหรืออากุศลละกรรมบท10สิบว่าเป็นกรรมวัตรฝ่ายบาปส่วนกรรมวัตรฝ่ายบุญจะได้แก่อะไรตอบว่ากา ร, รมวรจระกุสลรูปาวรจรั ก, กุสลอรูปาวัจรั ก, กรุสล เหล่านี้เป็นกรรมวัตรฝ่ายบุญกา ม, มาวัจรั ก, กุสลคือกุศลในขั้นต้นเช่นทานและศีลส่วนรู ป, ปาวัาจรั ก, กุสลและอรูปาวัาจรั ก, กุสลนั้นเป็นกุศลในขั้นสูงขึ้นไปคือการเจริญฌานซึ่งมีความสงบสุขปราณีตกว่ากา ม, มาวัจรั ก, กุสลรูปาวัาจรั ก, กุสล อรูปาวจระ ก, กุศลเหล่านี้เป็นกรรมวัดฝ่ายบุญส่งให้วิบากวัดคือมนุษย์สมบัติบ้างสวรรค์สมบัติบ้างรมโลกบ้างพอเหมาะแก่กุศ ล, ลกรรมที่ทำไว้ถ้าเช่นนั้นกรรมทั้งหลายที่สัตว์ทำเป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามย่อมให้ผลเหมือนเงา ที่ไม่พากไปจากตนฉะนั้นหรือถูกแล้วสมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นในอภินัาหปัญจเวกขณะว่ากรร ม, มะสะโกมิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรร ม, มทายาโทเป็นผู้รับผลของกรรมกรร ม, มโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด กรรมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสรโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิเราจักทำกรรมอันใดกัลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัดสะทายาโทภวิษสามิเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น อนุสัยกับสังโยชน์ไรจะละเอียดกว่ากันอนุสัยละเอียดกว่าสังโยชน์เพราะสังโยชน์นั้นเวลาที่จะเกิดขึ้นอาศัยอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันเข้าแล้วเกิดวิญญาณหกชื่อว่าผัสสะเมื่อผู้ที่ไม่มีสติหรือไม่รู้ความจริง เช่นหูกับเสียงกระทบกันเข้าเกิดความรู้ขึ้นเสียงที่ดีก็ชอบเกิดความยินดีพอใจเสียงที่ไม่ดีก็ไม่ชอบไม่ถูกใจที่โลกเรียกกันว่าพื้นเสียเช่นนี้ละ่ะชื่อว่าสังโยชนจึงหยาบกว่าอนุสัยเพราะอนุสัยนั้นย่อมตามนอนในเวทนาทั้งสาม เช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นผู้ที่ไม่เคยรู้ความจริงหรือไม่มีสติราคานุสัยจึงตามนอนทุกขเวทนาเกิดขึ้นปฏิคานุสัยย่อมตามนอนทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นคือไม่ทุกขไม่สุขอวิชานุสัยย่อมตามนอนเพราะฉะนั้นจึงละเอียดกว่าสังโยชน และมีพระพุทธภาษิตตรัสเวในมาลุงโกยะาวาัทสูตรว่าเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่ในผ้าอ้อมเพียงจะรู้ว่านี่ตาน่รูปก็ไม่มีในเด็กนั้นเพราะฉะนั้นสังโยชนจึงไม่มีในเด็กที่นอนอยู่ในผ้าอ้อมแต่ว่าอนุสัยย่อมตามนอนในเด็กนั้นได้ ถามว่าอนุสัยนั้นมีประจำอยู่เสมอหรือหรือมีมาเป็นครั้งเป็นคราวตอบว่ามีมาเป็นครั้งคราวถ้ามีประจำอยู่เสมอแล้วก็คงจะละไม่ได้เช่นราคานุสัยก็เพิ่งมาตามนอนในสุขเวทนาหรือปฏิคานุสัยก็เพิ่งมาตามนอนในทุกขเวทนา หรืออวิชชานุสัยก็เพ่งมาตามนอนในอาทุก ข, ขมสุเขเวทนาตามนอนได้แต่ผู้ที่ไม่รู้ความจริงหรือมีสติก็ไม่ตามนอนได้เรื่องนี้ได้อธิบายไว้ในเวทนาขันแล้วแต่เดิมข้าพเจ้าเข้าใจว่าอนุสัยตามนอนอยู่ในสันดานเสมอทุกเมื่อไป เหมือนอย่างคีตะกรที่นอนอยู่ก้นโอ่งน้ำถ้ายังไม่มีใครมาคนก็ยังไม่ขุนขึ้นถ้ามีใครมาคนก็ขุนขึ้นได้เวลาที่ได้รับอารมณ์ที่ดีเกิดความกาหนัดยินดีพอใจขึ้นหรือได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีก็เกิดปฏิฆะหรือความกโกรธขึ้นเข้าใจว่านี่แหละขุนขึ้นมาความเข้าใจเก่าของข้าพเจ้า มีผิดไปหรือก็ผิดนะสิเราเอาน้าไปเปรียบกับรูปคือองค์ก็เป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณน้ำก็เป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณและขีตกรก้นองค์ก็เป็นรูปไม่มีวิญญาณเหมือนกันจึงขังกันอยู่ได้ส่วนจิตเจตสิก ข, ของเรา เกิดขึ้นแล้วดับไปจะขังเอาอะไรไว้ได้ระกิเลสเช่นอนุัยหรือสังโยชน์ก็อาศัยจิตเจตสิกเกิดขึ้นช่วคราวหนึ่งเมื่อจิตเจตสิกในคราวนั้นดับไปแล้วอนุัยหรือสังโยชน์จะตกค้างอยู่กับใครลองนึกดูเมื่อเรายังไม่มีความรักความรักนั้นอยู่ที่ไหน ก็มีขึ้นเมื่อเกิดความรักไม่ใช่หรือหรือเมื่อความรักนั้นดับไปแล้วก็ไม่มีความรักไม่ใช่หรือและความโกรธเมื่อยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีเหมือนกันมีขึ้นเมื่อเวลาที่โกรธเมื่อความโกรธดับแล้วก็ไม่มีเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเราไปติดสัญญาที่จำไว้นานแล้วว่าอนุสัยนอนอยู่ เหมือนขี้ตะกรที่นอนอยู่ก้นโอคงก็อนุสัยกับสังโยชน์ไม่มีแล้วบางคราวทำไมจึงมีขึ้นอีกได้เล่าถ้าพระเจ้าชะงนนักและยังอาสวะอีกอย่างหนึ่งที่ว่าดองสันดาลนั้นเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงอนุสัยหรืออาสวะแล้ว เราควรเอาความว่าความเคยตัวเคยใจที่เรียกว่ากิเลสกับวาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าละได้ทั้งสองอย่างที่พระอระหันตสาวกละได้แต่กิเลสอย่างเดียววาสนาละไม่ได้เราควรจะเอาความว่าอาสวะหรืออนุสัยกิเลสเหล่านี้เป็นความเคยใจ เช่นได้รับอารมณ์ที่ดีเคยเกิดความกำหนัดพอใจได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีเคยไม่ชอบไม่ถูกใจเช่นนี้เป็นต้นเหล่านี้แหละควรรู้สึกว่าเป็นเหล่าอนุัยหรืออสวะเพราะความคุ้นเคยของใจส่วนวาสนานั้นคือความคุ้นเคยของกายวาจา ที่ติดต่อมาจากเคยแห่งอนุสัยเช่นคนราคะจริตมีมัน ญ, ญาติเรียบร้อยหรือเป็นคนโทสะจริตมีมัน ญ, ญาติไม่เรียบร้อยส่วนราคะและโทสะนั้นเป็นลักษณะของกิเลสิริยามารยาที่เรียบร้อยและไม่เรียบร้อยนั่นเป็นลักษณะของวาสนานี่ก็ควรจะรู้ไว ถ้าเช่นนั้นเราจะละความคุ้นเคยของใจในเวลาที่ได้รับอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีจะควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรดีวิธีปฏิบัติที่จะละความคุ้นเคยอย่างเก่าคืออนุสัยและสังโยชน์ก็ต้องมาฝึกหัดให้คุ้นเคยในศีลและสมถวิปัสนาขึ้นใหม่จะได้ถ่ายถอนความคุ้นเคยเก่าเช่นเหล่าอนุสัยหรือสังโยชน์ ให้หมดไปจากสันดานส่วนอนุสัยกับสังโยชน์ข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้วแต่ส่วนอาสวะนั้นคือกามาสวะผวาสวะอวิชชาสวะสามอย่างนั้นเป็นเครื่องดองสันดานถ้าฟังดูตามชื่อก็ไม่น่าจะมีเวลาว่างดูเหมือนดองอยู่กับจิตเสมอไปหรือไม่ได้ดองอยู่เสมอ แต่ส่วนตัวข้าพเจ้าเข้าใจไวแต่เดิมสำคัญว่าดองอยู่เสมอข้อนี้เป็นอย่างไรขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้ตอบไว้พร้อมกับอนุสัยและสังโยชน์แล้วจะให้ตอบอีกก็ต้องอธิบายกันใหญ่คำที่ว่าอาสวะเป็นเครื่องดองนั้นก็ต้องหมายความถึงรูปอีกนั่นแหละ เช่นกับเขาดองผักก็ต้องมีภาชนะเช่นผักอย่างหนึ่งหรือชามอย่างหนึ่งและน้ำอย่างหนึ่งรวมกันสามอย่างสำหรับเช่นกันหรือของที่เขาทำเป็นแช่อิ่มก็ต้องมีขวดโหลหรือน้ำเชื่อมสำหรับแช่ของเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นรูปจึงแช่และดองกันอยู่ได้ส่วนอาสวะนั้นอาศัยนามธรรมเกิดขึ้น นามธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวอาสวะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวจะแช่และดองกันอยู่อย่างไรได้นั่นเป็นพระอุปมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่งบัญญัติขึ้นไว้ว่าอาสวะเครื่องดองสันดานคือกิเลสมีประเภทสามอย่างเราก็เลยเข้าใจผิดถือมั่นเป็นอภินิเวศ เห็นเป็นแช่ละดองเป็นของจริงๆจังจังไปได้ความจริงก็ไม่มีอะไรนามและรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอะไรจะมาแช่ละดองกันอยู่ได้เพราะฉะนั้นขอให้เปลี่ยนความเห็นเสียใหม่ที่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นจริงเป็นจังเสียให้ได้ให้หมดทุกสิ่งที่ได้เข้าใจไว้แต่เก่าๆแล้ว ก็ตั้งใจศึกษาเสียใหม่ให้ตรงกับความจริงซึ่งเป็นสัมมาปฏิบัติจะทำความเห็นอย่างไรจึงจะตรงกับความจริงทำความเห็นว่าไม่มีอะไรมีแต่สมมุติและบัญญัติถ้าถอนสมมุติและบัญญัติออกเสี็จแล้วก็ไม่มีอะไร หาคำพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขันหอายตนะหกธาตุหกนามรูปเหล่านี้ก็เพื่อจะให้รู้เรื่องกันเท่านั้นส่วนขันและอายตนะธาตุนามรูปผู้ปฏิบัติควรกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ส่วนอนุสัยหรือสังโยชอสวโยคะโอคะ นิวร อ, อุปกิเลสเป็นสมุทยัยคือเหตุเกิดทุกข์อาศัยขันหรืออายตนะหรือน้มรูปเกิดขึ้นนั้นเป็นสมุทยัยเป็นส่วนหนึ่งที่ควรละมักมีองค์8ดยนเข้าคือศีลสมาธิปัญญาเป็นส่วนที่ควรเจริญ ความสิ้นไปแห่งกิเลสคืออนุสัยหรือสังโย ช, ชนิโรธเป็นส่วนควรทำให้แจ้งเหล่านี้หละเป็นความจริงความรู้ความเห็นในสีอริยสัจนี่หละคือเห็นความจริงหละ่ะสาธุข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งทีเดียว แต่เมื่ออาสวะไม่ได้ดองอยู่เสมอแล้วทำไมท่านจึงกล่าวว่าเวลาที่พระอาหารหันต์สำเร็จขึ้นใหม่ๆโดยมากแล้วที่ได้ฟังมาในแบบท่านรู้ว่าจิตของท่านพ้นแล้วจากก า, ม า, ารมาสาวะผวาสวะอวิชชาสาวะข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่าผู้ที่ยังไม่พน้นก็ต้องมีอาสวะประจำอยู่กับจิตเป็นนิดไปไม่มีเวลาว่างว่าจะพ้นได้ก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์ ถ้าขืนทำความเห็นอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีเวลาพ้นจริงด้วยเมื่ออาสวะอยู่ประจำเป็นพื้นเพ ข, ของจิตแล้วก็ใครจะละได้เล่าพระอรหันต์ก็คงไม่มีในโลกได้เหมือนกันนี่ความจริงไม่ใช่เช่นนี้จิตนั้นส่วนหนึ่งเป็นประเภททุกข์สัต์อาสวะส่วนหนึ่งเป็นประเภทสมุ ท, ทยัยอาศัยจิตเกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อจิตคราวนั้นดับไปแล้วอาสวะประกอบกับจิตในคราวนั้นก็ดับไปด้วยตัวอย่างเช่นอาสวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆนั้นเราอาศัยการเพ่งโทษถ้าเราจักไม่ตั้งใจเพ่งโทษใครๆอาสวะก็จะเกิดได้ด้วยยากเหมือนกันสมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าปรวัชชานุปสิทธะ เมื่อบุคคลตามมองดูซึ่งโทษของผู้อื่นนิจจังอาชานะสัญญิโนเป็นบุคคลมีความหมายจะยกโทษเป็นนิจอาสวะตัดสักวะันติอาสวะทั้งหลายยอมเจริญขึ้นแก่บุคคลนั้นอาราโศอาสวะขยาบุคคลนั้นเป็นผู้ห่างไกลาจากธรรมะที่สิ้นอาสวะ ถ้าฟังตามคาถาพระพุทธภาษิตนี้ก็จะทำให้เราเห็นชัดได้ว่าอาสวะนั้นมีมาในเวลาที่เพ่งโทษเรายังไม่เพ่งโทษอาสวะก็ยังไม่มีมาหรือเมื่อจิตที่ประกอบด้วยอาสวะคราวนั้นดับไปแล้วอาสวะก็ดับไปด้วยก็เป็นอันไม่เหมือนกันการที่เห็นว่าอาสวะมีอยู่เสมอจึงเป็นความเห็นผิด อาสวะสามนั้นกามาสวะเป็นกิเลสประเภทรักอวิชชาสวะเป็นกิเลสประเภทไม่รู้แต่พวาสวะนั้นไม่ได้ความว่าเป็นกิเลสประเภทไหนเคยได้ฟังตามแบบท่านว่าเป็นภพภพอย่างไรข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ความไม่รู้ความจริงเป็นอวิชชาสวะจึงได้เข้าไปชอบไว้ในอารมณ์ที่ดีมีกามเป็นต้นเป็นกามาสวะเมื่อไปชอบไว้ในที่ใดก็เข้าไปยึดถือตั้งอยู่ในที่นั้นจึงเป็นภาวาสวะนี่แหละเข้าใจว่าเป็นภาวาสวะภาวะท่านหมายว่าภพ คือการมาพบรูปประพบอรูปประพบไม่ใช่หรือทำไมพบจึงมาอยู่ในใจของเราได้เล่าพบที่ในใจนี่แหะสิสำคัญนักจึงได้ตอไปให้เกิดในพบข้างนอกก็ลองสังเกตดูตามแบบที่เราได้เคยฟังมาว่าพระอระหันต์ทั้งหลายไม่มีกิเลสประเภทรักและไม่มีอวิชชาภาวะตันหาเข้าไปอยู่ในที่ใด และไม่มีอุปาทานความชอบความยินดียึดถือในสิ่งทั้งปวงพบข้างนอกคือการมาพบรูปประพบอรูปประพบตลอดจนกระทั่งพบคือสุดทาวาสของท่านนั้นจึงไม่มีอาสวะสามไม่เห็นมีกิเลสประเภทโกรธแต่ทำไมการเพ่งโทษนั้นเป็นกิเลสเกลียดชัง ขาดเมตตาการุณาเพราะอะไรจึงได้มาทำให้อสวะเกิดขึ้นเพราะความเข้าไปชอบไปเป็นอยู่ในสิ่งใดที่ถูกใจของตนรันเข้ามาทาที่ไม่ชอบไม่ถูกใจจึงได้เข้าไปเพ่งโทษเพราะสาเหตุที่เข้าไปชอบไปถูกใจเป็นอยู่ในสิ่งใดไว้ซึ่งเป็นสายชนวนเดียวกัน อาสวะทั้งหลายจึงได้เจริญแก่บุคคลนั้นความรู้นั้นมีหลายอย่างเช่นกับวิญญาณ 6, หกคือความรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจหรือความรู้ในเรื่องโลกโกรธหลงริษยาพยาบาทหรือรู้ไปในเรื่องความอยากความต้องการ หรือคนที่หยิบเล็กหยิบน้อยนิดหน่อยก็โกรธเขาก็ว่าเขารู้ทั้งนั้นส่วนความรู้ในรูปฌานหรืออรูปฌานก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่งส่วนปัญญาที่รู้เห็นไตรลักษณ์และอริยสัจก็เป็นความรู้เหมือนกันส่วนวิชาสามหรือวิชาแปก็เป็นความรู้พิเศษอย่างยิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ควรจะแบ่งความรู้เหล่านี้เป็นประเภทไหนบ้างขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าจะได้ไม่ปนกันควรแบ่งความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นประเภททุกข์สัตว์เป็นส่วนที่ควรกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ส่วนความโลภความโกรธความหลงปริษยาพยาบาท ความอยากความต้องการเป็นสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์เป็นส่วนควรละความรู้ในรูปปานและอรูปปานและความรู้ในไตรลักษณ์หรืออริยสัจเป็นมรรคเป็นส่วนที่ควรเจริญวิชาสาหรือวิชา8นั้นเป็นนิโรธเป็นส่วนที่ควรทำให้แจ้ง สำหรับวิชาสาหรือวิชา8นั้นคือยานต่างๆในพระพุทธศาสนามีเบื้องต้นตั้งแต่ปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้จนถึงอาสวะคยายานยานย่างรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะถามว่าอะไรอะไรก็เอาเป็นอริยสัจสี่เกือบจะไม่มีเรื่องอื่นพูดกัน ตอบว่าเพราะไม่รู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่และไม่ทําหน้าที่กําหนดทุกข์ละสมุทยัยและทำนิโรธให้แจ้งและเจริญมักจึงได้ร้อนใจกันไปทั่วโลกท่านผู้ทํากิจถูกตามหน้าที่ของอริยสัจสี่ท่านจึงไม่มีความร้อนใจที่พวกเราต้องกราบไหว้ทุกวันข้าพเจ้าจึงชอบพูดถึงอริยสัจ ตามที่ข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าสอุปาที่เสสนิพานนั้นได้แก่พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่อนุปาที่เสสนิพานนั้นได้แก่พระอรหันต์ที่นิพพานแล้วถ้าเช่นนั้นท่านคงหมายความถึงเศษนามรูปเนื้อและกระดูกที่เหลืออยู่นี่เองไม่ใช่ถ้าเศษเนื้อเศษกระดูกที่หมดแล้ว ว่าเป็นอนุปาที่เสสนิพานเช่นนั้นใครๆตายก็คงเป็นอนุปาที่เสสนิพานได้เหมือนกันเพราะเนื้อละกระดูกชีวิตจิตใจก็ต้องหมดไปเหมือนกันถ้าเช่นนั้นนิพานทั้งสองอย่างนี้จะเอาอย่างไหนเล่าเรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอุปาที่เสสะสูตรแก่พระสารีบุตร ในอังคุตระนิกายนวกนิบาทหน้า31ความสังเขตว่าวันหนึ่งเป็นเวลาเช้าพระสาวรีบุตรไปเที่ยวบินทบาทมีพวกปริพาชคพูดกันว่าผู้ที่ได้บรรลุสอุปาทิเศษตายแล้วไม่พ้นนรกกำเนิดดิวรชานเปรตวิสัยอบายทุขติวินิบาทครั้นพระสาวรีบุตรกลับจากบินทบาตแล้วจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลตามเนื้อความที่พวกปริพาชกข้าพูดกันอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสะอุปาที่เสสสะบุคคลเก้าจำพวกคือพระอนาคามีห้าจำพวกพระสกิทาคามีจำพวกหนึ่งพระโสดาบันสามจำพวกตายแล้วพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุขติวินิบาทธรรมะปริยายนี้ อย่างไม่แจมแจ้งแก่พิกษุพิกษุณีอุบาสบอุบาสิกาเลยเราะได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วจะประมาทและธรรมปริยายนี้เราแสดงด้วยความประสงค์จะตอบปัญหาที่ถามในสัอุปาทิเสสสูตรนี้ไม่ได้ตรัสถึงอนุปาทิเสสะแต่ก็พอสันนิฐานได้ว่าอนุปาทิเสสะคงเป็นส่วนของพระอรหรันต์ ถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็หมายความถึงสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ยังมีเศษเหลืออยู่ว่าเป็นสอุปะที่เสสนิพานส่วนสังโยชน์ที่หมดแล้วไม่มีส่วนเหลืออยู่คือพระอารหันตผลว่าเป็นอนุปาที่เสสนิพานตอบว่าถูกแล้วถ้าเราพูดอย่างนี้คงไม่มีใครเห็นด้วยคงว่าเราเข้าใจผิด ไม่ตรงกับเขาเพราะเป็นแบบสั่งสอนกันอยู่โดยมากว่าสอุปาที่เสสนิ พ, พานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่อนุปาที่เสสนิ พ, พานของพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นอัธกถาที่ขบพระพุทธภาษิตไม่แตกแล้วก็เลยถือตามกันมาจึงมีทางคัดค้านได้ไม่คมคายชัดเจน เหมือนที่ทรงแสดงแก่พระสารีบุตรซึ่งจะไม่มีทางคัดค้านได้หมายกิเลสนิพพานโดยตรงถามว่าสอุปาทิเสสสูตรนี้ทำไมจึงได้ตรัสหลายอย่างนักมีทั้งนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุกติวินิบาทส่วนในพระสูตรอื่นๆ ถ้าตรัสถึงอบายก็ไม่ต้องกล่าวถึงนรกกำเนิดยดรัจานเปรตวิสัยอบายทุกติวินิบาตเห็นจะเป็นด้วยพระสารีบุตรมากราบทูลถามหลายอย่างตามถ้อยคำของพวกปริพาชคที่ได้ยินมาจึงตรัสตอบไปหลายอย่างเพื่อให้ตรงกับคำถามข้างท้ายพระสูตรนี้ทำไมจึงมีพุทธภาษิตตรัสว่า ธรรมปริยายนี้ยังไม่จำแจ้งแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเลยเพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วจะประมาทและธรรมปริยายนี้เราแสดงด้วยความประสงค์จะตอบปัญหาที่ถามตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเห็นจะเป็นด้วยพระพุทธประสงค์ของมุ่งถึงพระเสขบุคคล คือโซดาบันขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงอรหัตผลถ้าได้ฟังธรรมปริยานี้แล้วจะได้ความอบอุ่นใจที่ไม่ต้องไปทุกคติและความเพียรเพื่อพระอรหันต์จะย่อนไปท่านจึงได้ตรัสอย่างนี้เห็นจะเป็นเช่นนี้เองท่านจึงตรัสว่าถ้าได้ฟังธรรมปริยานี้แล้วจะประมาทตามแบบที่ได้ฟังมาโดยมากราพุทธประสงค์ ส่งเร่งระสาวกผู้ยังไม่พ้นอาสวะให้รีบทำความเพียรให้ถึงที่สุดคือพระอระหันต์